คือถ้าเป็นนักภาวานาจะต้องดูใจเป็นหลักส่วนอย่างอื่นก็ลองดูว่าใจเรา ม, มีผลกระทบกับสิ่งที่เรารับรู้รอย่างไรใจเรายังนิ่งยังสงบหรือว่าใจเราเริ่มปั่นตัวเริ่มบ่ น, บนนั่นบ่นนี่คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มองกันไปมองคนนั้นคนนี้ครับ เรามองปั๊บแล้วก็กลับมาเพถ้าตัานตัวก็ทันนานธรรมะเข้ามาก่อนเขาเป็นอย่างนั้นแหละปรากฏว่าพี่ๆก็สองคนนั่งอะฮะแล้วมีอมา마สามคนนั่งบังหูปั๊บเลยนะมได้ดูใจได้เองพวาเรายงัยงเติดอยู่ภายนอกมาก พอเห็นข uh, uh, er. ้างนอแล้วก็จะมีผลต่อภายในผลคือความดีความดีง่ายความดีใจความเสียใจถ้าเราดูข้างนอกน้อยกว่าดูข้างในความดีใจความเสียใจความดีน่ายมันก็จะน้อยลงจนหมดไปได้ถ้ามีสติมีปัญญารู้ทันรู้ทัน อารมณ์ของเราอแต่เราส่วนใหญ่มักจะถูกกิเลสผลักนั้นให้ออกไปมองข้างนอกกรรมปัญหาเนี่ยคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกตามแปลว่ากรรมกุณฑั้งข้ามีรูปเสียงกลกิ่นรสปุถุพะปัญหาก็คือความอยากความยินดีใจก็จะถูกกิเลส ปัญหาตรงนี้ผักให้ออกไปหาลูกเสียงขิบน์แล้วก็ไปปูนแต่งกับลูกเสียงขลิบน์ที่ยังสัมผัสทำให้เกิดสุบเวทนาเกิดทุกเวทนาขึ้นมาภายในใจเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะเราไม่ได้มองใจเราเรามองกับภายนอก แล้วเราก็ไปกว้านเอาสิ่งต่างๆที่กิเลสมิจหาหลอกเราว่าอยู่อย่างนั้นอยู่นี้ออามาเป็นสมบัติครอบครองเราก็มาทุกกับสิ่งที่เราได้กว้านมาเป็นสมบัติของเราเพราะเขามีคุณสมบัติอยู่สองประการก็คือไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใตาการกควบคุมบังคับของเรา ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเขาต้องมีวันเป็นตายไม่มีวันจากออไปหรือเราจะต้องจากเขาไปเมื่อเราไม่มีปัญญาไม่ดึงใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความจริงตายรักนี้สองส่วนอยู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในสองส่วนที่อยู่ภายนอกก็คืออนิจจัง กับอนัตตาเช่นโลกเสียงขกลนโลกโสดาะนี้เป็นอนิจจ์เขาเปลี่ยนไปคูบเรื่อยเพ ร, ราเป็นอนัตตาเพราะเราไม่สามารถควบคุมบันไับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ส่วนทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่เขาทุกข์อยู่ที่ใจเราใจเราที่ไปหลงอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากนี้เป็นเหตุสร้างความทุกข์ ให้เกิดขึ้นมาภปยในใจนี่คือทุกข์ในอริยสัจทุกขสมุทัยที่โรกนักถ้ามีปัญหาเป็นตัวปรับดังใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอได้รูปมาแล้วก็อยากจะเอามามาปรุงแต่งต่อเหมือนกับได้ก๋วยเตี๋ยวรสชาตินี้รับประทานที่เราทำมาให้ไม่ได้ต้องปรวงแต่งต่อ ต้องใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำส้มใส่คลิกให้ถูกกับความอยากของของตัณหาคนที่ชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวมาคนชอบหวานก็ใส่หวาน ม, มาอยู่เป็นเรื่องของตัณหาพาไปแล้วถ้ารับประทานแล้วไม่อร่อยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าอร่อยก็เกิดความถูกใจก็ติดอยากจะรับประทานอีกทั้งๆ ท, ที่อิ่มแล้วโงทีก็ยังรับประทานต่อแล้วก็เกิดอาการท้องเสียตามมานีเป็นเรื่องของปัญหาถ้าเป็นเรื่องของมรรคของสติของปัญญาก็เขาทําอะไรมาให้รับประทานก็รับประทานตามนั้นไปรับประทานเพื่อร่างกาย ใน ไ, ได้รับประทานเพื่อตัณหาความอยากเพื่อลดเพื่อชาติอย่างนีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพรพภิกษุทุกท่าก่อนจะฉันจำหันให้พิจารณาปฏิสังขาโยมิโสหรือให้พิจารณาถึงเหตุผลของการรับประทานอาหารว่าเรารับประทานอาหารนี้เพื่อระงับอยาความหิวเพื่อป้องกันความหิว ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้รับประทานเพื่อความเพื่อรสชาติเพื่อความสนุกสนานอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ได้รับประทานเพื่อเพื่อจุนปัญหารับประทานเพื่อร่างกาย ร, ร่างกายนี้อะไรก็ได้เพราะเขาไม่รู้รสชาติของอาหารที่เข้าแตะสัมผัสกับร่างกายมันไม่ดูรสชาติความจริง ใจเป็นผู้รับรู้รสชาติลิ้นเั็นเียงสื่อเป็นเป็นตัวรับรถและส่งไปทางวิญญาณวิญญาณก็ส่งไปที่จิตให้จิตรว่ารถเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยอาศัยสัญญามามามาให้ความหมายว่ารันี้เกลียวเกินไปหรือหวานเกินไปหรือจืดเกินไป หรืกอกำลังดีถ้าถ้าไม่ดีก็แข็งก็จะปรุงแต่นขึ้นมาว่ามันก็ต้องเติมหวานเข้าไปเติมเปี้ยวลงไปนี่คือเรื่องการรัตตฐานตามตามกิเลสปัญหาจะไปในรูปแบบนี้ถ้ารัตะฐานตามตามมักคคือธรรมะตามปฏิปัญญา ก็มาทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้สนใจกับเรื่องรสชาติรับประทานเพื่อให้อิ่มท้องเพื่อจะได้ดับความหิวและป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเกินไปอยู่ได้อย่างน้อยก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงพระชันนี้นรรนเรียวท่านก็อยู่ได้ถึงนี่สิบชั่วโมงรับประทานนกับรับประทานยา ยาจะมีมาในรูปแบบไหนก็รับประทานไปตามที่ได้มายาน้ำก็รับประทานได้ยาเม็ดก็รับประทานได้จะเป็นกลมหรือเหลียยยหล่ยมหรือหรือเรียวทรงลีหรือสรงรูปรูปไข่รอยู่ในรูปแบบไหนก็รับประทานได้จะมีสีสารอย่างไรก็รับประทานได้มีเกิคก็ ความ ห, หมายของการการพิจารณาไปทสังข า, ารเวนิโสเพื่อดักกินสัญหาความอยากในรูปเสียงกินรดของอาหารแล้วถ้ามันยังพิจารณาแล้วมันยังไม่พอก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเป็นท่าสี่เป็นเป็นท่าสี่คือเอาเข้ามาเยียวยา ดูล่าแสวร่างกายดูให้เห็นว่ามันเป็นปฏิกรูให้เห็นสภาพของอาหารที่อยู่ในจานแล้วก็ให้เห็นสภาพของอาหารที่อยู่ในปากที่กําลังคบคี้ยวอยู่ที่ผสมกับน้ำลายแล้วก็เห็นสภาพอาหารที่อยู่ในท้องหรืออาหารที่ออกมาจากทวาล ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็จะดับการหาความอยากในอาหารบางท่านบางทีรับประทานอาหารเสิ็จไปใหม่ๆอืมท้องแน่นท้องแต่ก็ยังอยากจะรับประทาน อ, อย่างนี้ก็ควรที่จะพิจารณาใช้ปฏิกรณของอาหารนี้มาเป็นเป็นเครื่องมือดับความอยากรับประทานอาหารมากขึ้ น, นไป รัประทานให้พอพอดีกับความต้องการของร่างกายนี่ก็คือเรื่องของตายลักเรื่องของอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาในรูปเสียงกิออ่นราเรื่องบางท่านถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี้ตัวแปลคําว่าทุกข์นี้ผิดไปเคยอ่านว่าทุกข์เขาแปลว่าคงอยู่ไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรทงอยู่ไม่ได้รูปทงอยู่ไม่ได้ เยอจิตทาอยู่ไม่ได้กับลูกอันนี้ก็ไล่าความจริงมันความความว่าทุกข์มันก็ชดัดเจนอยู่แล้วทุกข์ก็ใครจะทุกข์ล่ะลูกมันทุกข์ไม่เป็นวัตถุต่างๆมันทุกข์ไม่เป็นตัวที่ทุกข์ก็คือจิตนี่แหละตัวที่ ที่ที่ทีมีอริยสัจสือยู่ในจิตนี่แะเป็นตัวที่ทุกเป็นเป็นทุก ข, ของอริ ย, ยาาสัจนี่ก็ทาสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกนี้ทุกนี้ก็ไม่ได้สอนอยู่ที่ไห น, นสอนอยู่ที่ในพระอริยสัจสิ่พระเจ้าทรงตัดเรู้ก็ตัดเชรู้พระอริยสัจสี่ตัดรู้ทุกสมุทานที่โภลภ ม, มากแต่คนศึกษาธรรมะกับ ทำไมไม่เห็นทุกเหล่านี้กันกลับมาาปคําว่าทุกแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอ ร, ริยสัจสิไม่เห็นทุกสมุทัยนม่รู้มากนั่นเองอย่างนั้นก็ก็จะปฏิบัติไปไม่ถึงไหนจะไม่ได้เข้าไปสู่ จุดของปัญหาจุดของปัญหาอยู่ที่อริยสัจสี น, นี่ยอยู่ที่ในจุดเป็นการต่อสู้ของสัจจะสองคู่ทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะคู่นึงแล้วนิโรธัสัจจะกับมรรคสัจจะอีกคู่หนถ้ามีมีสมนทัยเป็นเจ้าอำ น, นาจอยู่ในใจทุกข์ก็จะเป็น กัจะที่ปรากฏอิในใร์เจ้าเช่นธรโลกทั่วไปนี้จะมีสมุทัยพุทธิทานหาเป็นเจ้าอำนาจบงการให้จิตใจยายในสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาขั้นในจิตของผู้บงเพ็ญตั้งแต่พราาะอริยะขัาแรกขึ้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็จะมีมากจนผู้หนึ่นกำ มักก็จะบุญการเมื่อมีมักผู้บุการนิโรธก็จะเป็นผลที่ตามมาดัางนั้นที่ให้พิจารณาไปยรักก็ต้องให้รู้ว่าสองส่วนนั้นอยู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในใจคือถ้าเห็นหน้าน้จังเห็นหน้นาหน้าตมันก็จะหับธรรมชาตินะหลับหลับความอยากได้เพื่อเห็นว่าได้สิ่งนี้มาแล้วจะต้องเสียไป ก็ไม่รู้จะเอามาทำาไมเอามาอุตสาหไปบองที่วิ่งเต้ไปหามาถทาเป็นแทบตาพอได้มาวันเดียวแล้วก็หยดไปอย่างนีน้จะเอามาทำไมให้เหนื่อยยากหอเปล่แต่เราไม่รู้กันเรากลับมองว่าไดมาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปจนวันตายจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็เลย หยาบปัญหาความอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอ น, าานัตตาไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เต็มนันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับก่อนไม่ได้าต้องเป็นต่อใจเรื่องของเขาสิ่งที่ที่เราว่าดีเขาก็หมดไปได้สิ่งที่เราว่าไม่ดีเขาก็ปรากฏขึ้นมาได้ สิ่ที่เราว่าดีกเช่นลาบยกสรรเสริญสุขนี่เ ร, กเราก็ว่าดีเราก็อยากจะให้เขาดีไปตลอดดีไปทํา ง, งานแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่ไม่ดีที่เราอยากที่ไม่อยากจะให้เกิดกับเราเราก็บังคับไม่ทาไม่เกิดไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายเราก็เป็น ยับยั้งเขาไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามวาระของเขาเดี๋ยวเขาแก่แล้เดี๋ยวเขาก็เจ็บไข้แล้วป่วยถ้าเดี๋ยวเขาก็ตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครจะเป็นร่างกายของปุติชนหรือร่างกายของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าเราถ้าเรามีปัญญาเรารู้ทัน ความจริงนี้เราก็จะไม่มีความอยากไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากนี้ก็อยอมให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงเตรียมเตรียมรอรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยใจที่สงบ ด, ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาใจก็จะไม่ทุกข์กับ กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของผู้อื่นก็ดีของเราก็ดีก็จะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. เพราะเรามีมรเป็นผู้วงการจิตใจ mm hmm. ให้มองตามความเป็นจริงเรียกว่าให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ คามเห็นที่ถูกต้งเห็นว่าทุกสิ่งทักอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปยึดไปติดไปอยให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอมีความอยากแล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพียงแต่ได้ยินข่าวว่าบุคคลที่เรารักจะต้องมีอาการเป็นไปใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์จริงยังไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเราไม่ได้ มีมรรคอยู่ในใจเราคอยสอนใจให้เรายอมรับความจริงนี้เราพยายามปฏิเสธความจริงอนี้เราไม่กล้าที่จะคิดถึงความจริงอนี้กลัวว่าคิดไปได้จะทําให้ความจริงนี้ปรากฏขึ้นมาทันทีคนใดนี่เป็นความเข้าใจถึกการคิดถึงความจริงนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับปรากฏการของความจริงที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ไา้ เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่คิดถึงก็ได้นี้เกิดขึ้นในขณะที่เราคิดถึงก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ได้เกี่ยวกันเขาเกิดขึ้นเพราะถึงเวลาของเขาที่จะเกิดขึ้นเช่นผ่านใจนี้ต่อให้เราคิดไปทุกองหายใจเข้าออกถ้าเรายังไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตายถ้าเราไม่คิดเลยถ้าถึงเวลาตายมันก็ตายได้ นั้นอย่าไปกลัวเรื่องการพิจารณาความตายอย่าไปคิดว่าเป็นอัปมงคลอย่างที่คนในโลกทั่วไปจะคิดกันความคิดถึงความตายแล้วงพไม่ได้อย่าพูดเรื่องความตายนี้ห้ามพูดไม่เป็นมงคลแต่ทางศาสนากล่าว่าเป็นมงคลอย่างนี้เป็นปัญญาเป็นกุศลธรรมะเป็นกุศล พราะเป็นปัญญาเป็นความจริงเป็นสัมมาทุกฐิเป็นปายลัคเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาผู้ที่จะหูุดพ้นจากกองทุกข์ได้จะ ต, ต้องรู้รู้ทันอนิจจังรู้ทันอนัตตาอยู่ตลอดลมหายใจเขาออ้าตลอดเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าอานุโมให้จักรยาความใจทุกลมหายใจเข้าออก เพราะถาไม่คิดปั๊กิเลยก็จะเข้ามาเทคโอเวอร์มามาควบคุมความคิดต่างตวก็จะให้คิดอยากจะอยู่ไปนานๆแล้วก็จะทำให้เกิดความกลัวตายขึ้นมาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความกลัวนี้ก็เป็นความทุกข์เป็นความอยากที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจความอยากไม่ตายนี้ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมา เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงทา น, นจิตในใจทั้งทั้ที่ยังไม่ตายเป็นแต่คิดถึงความตายก็กลัวแล้วคนเราถ้าจะกลัวก็วขอให้กลัวหนงเดียวกลัวตอนที่จะตายแล้วมันก็กลัวเดียวเดียวเวลาต่างนี้มันเพียงแค่เสี่ยววินาทีเดียวเท่านั้นแะระหว่างความเป็นกับความตายนี่มันมันเพียงแเสี่ยววินาทีเดียวมืนกับระหว่างเปิดไฟกับปิดไป ขณะที่ไฟเปิดอยู่นี้พอเราปิดไฟปั้งมันก็เป็นวินาทีเดียวท่านั้นเองพอเราอยู่ท้ายใจมันก็เป็นเพียงวินาทีเดียวไม่เสื่อวินาทีเดียวทั้งนั้นข้ากล่าวอย่าทาไมเราต้องมากลัวเป็นตีเป็นเป็นเดือนเป็นตวาดเวลาทำไมไม่เกิดตีเลยมีแต่จะสร้างความเครียดขัดใจโดยปล่าปรพราะเราไม่เคยจเจริญนานาสติ มันไม่เคยเจริญอณิการอนาตเอย่างจริงจังอย่างต่อเ น, นื่องลองลองตรวจตามดูวันวั น, วนเราคิดถึงเรื่องนี้แค่เท่าไตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันนี้มาเนี่ยคิดบ้างหรึเปล่าเพื่อมาคิดตอนที่กลับมาตอนนี้พอได้ยินก็เลยได้คิดก็หนักถ้าอย่างนี้แล้วแสดงว่าประมาทมาก ประมากแค่พียเท่าตรวจปิช่องให้จิตเลยมาทำลายจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้จักใจเพราะเราไม่ได้เห็นคุณค่าหรืยังไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณายจรักนี้อย่างจริงจังก็เลยทำให้เรายังเป็นเป้าของจิตเลย ของความทุกข์เี้ยเพราะฉะนั้นเวลามองอะไรภายนอกขอให้เรามองว่าเป็นอนิจจังเป็นมนมตตาแล้วจะมาดับปัญหาคือสมุทยัยไปหน่อยใจคือละสมุทยัยเมื่อสมุทยัยละแล้วทโรดคือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้ที่การเจริญปัญญา ทีปัญญานี้จะเป็นปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าจิตไม่สงบนี้จิตจะผุ้งซ่านจะคึกเรือดเปลือยตลอดเวลาจะเดินมาคิดทางนี้ได้เดียวเดียวได้แป๊บเดียวแล้วก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาฉุดละให้ไปคิดที่ถ้าเป็นคารวะอยู่ในในชีวิตที่ต้องมีการทำมาหาเกิน ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆเวลาที่จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่มีเลยเพราะว่าจะถูกเรื่องราวต่างๆถูกลากไปอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถูกถูกลากไปแล้วมันก็มีเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนนกที่นล่นครับางทีไม่มีไม่มีอะไรมาถูกลาก ก็หยุดตัวเองไม่ได้ออกจาก บ, บ้านจากงานจากบ้านมาแล้วก็ยังอดคิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ทํามาไม่ได้คิดถึงเรื่องปัญหาที่ทํางานไม่ได้ยังอดที่จะคิดต่อไปไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับกําลังที่มันผลักแรนจิตให้หมุนให้คิดอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องมาหยุดความคิดอย่างนี้ด้วยการทำจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้วเรื่องมาต่างๆก็จะหาไปหายไปแล้วพอจิตออกจากความสงบเราก็จะสามารถดึงจิตให้มาพิจารณาอันนี้จังพิจารณาอนัตตาร่าแล้วมา่อพิจารณาได้แล้วก็จะจัดความอยากนะเช่นปัญหาที่เราเอาเอามาจากที่ทํา ง, งานหรือว่าถ้าเราทําจิตให้สงบแล้วเนาะ เราออกจากความสนุกแล้วเรามามองปัญหาหม่เราเพื่มองเอ็นนมุมหนึ่งเมื่อก่อนเรามองแบบสนุทใยคืออยากจะแก้ปัญหาอยากจะให้มันเง็นใจกลางที่เราอยากให้มันเป็นแต่พอเรามีจิตสงกแล้วเรามามองในลักษณะของอนิจจ์ของอนัตตาเราก็จะปล่อยวาง แ, แก้มันไงมันก็เท่านั้นแหละแก้ได้ก็แก้ไป แคนั้ด้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้าอย่างนั้นใจก็จะไม่ทึกกับปัญหาต่างๆนี่คือความสําคัญของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันจะไม่มีไม่มีความเป็นกลางจจะไม่เป็นอุดเดกขาเมื่อใจไม่เป็นอุเดกขามันก็จะมันก็จะแปรไปทางสมุทยยัยตลอดเวลา แข่งแข่งใจตามควาอยากอยากได้อะไรก็ต้องพยายามหาให้ได้เอาให้ได้เนี่ยเมื่อวานนมีเด็กคนหนึงมามาเล่าปัญหาของเธอใครเรียนได้กี่จุดหรือมาตลอดเราต้องย้ายโรงเรียนก็ราะงเรียนยมีแค่3สายพอย้ายโงเรียนใหม่มีมีรู้สึกจะมีอคติต่อเรียนใหที่ดี คิดว่าไม่ดีพอสำหรับตนก็เลยใจก็เลยไม่ค่อยอยากจะเรียนพอสอบก็เลยได้สามจุดเก้าก็ิดใจอ่ะเคยได้สี่จาะทำใจไม่ได้เกงแต่เล่าก็ลองให้ให้ฟังเด็กคนนี้ไม่เห็นจะเป็นเอกัียะเราจะเปรียบเทียบตัวเขากับไอน์สไตน์หรือไอน์สไตน์นตัองเหมายของเขาคือจะเป็น อาสตารานี้จะเป็นอาเซียนนี่นยท่านเจะเป็นนักทิ่พิเศษที่ยิ่งใหญ่เขาที่ว่าถ้าเขาไม่สามารถทำสีส่งนี้ได้เขาจะไปไม่ถึงที่เขาต้องการก็เลยเป็นความที่จกอย่างยี่งของเขาพราแม่ก็เลยก็เลยพามาคุย <laughs> ก็คุยไป ค, คุยมาเขาก็จับประเด็นได้งนะ่าการที่เราจะเป็นนักทสถียรศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ดีอยู่แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าจะเป็นได้ก็เป็นไม่ได้ น, ะนั้นเ็นแ่อีกเรื่ อ, องหนึ่งเงืนอนไขคือความสามารถของเราถ้าเราทำให้ขอเราให้ดูที่สุดแล้วได้เท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับความจริงนั้น ถ้าเรารับไม่ได้เราก็จะสร้างความทุกขให้กับเราโดยชั้นเห็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรายิ่งอย่างขึ้นไปแต่อย่างใดเราต้องเขาคิดว่าปัญหาของเขาอยู่ที่โรเรียนถ้าไม่ได้โรงเรียนดีแนละ้วเขาจะเขาจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการเขาคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นเหมือนกับเป้าหมายของเขาที่เขาจะต้องเอาโรงเรียนที่ดีที่สุด ถ้าได้โรงเรียนที่ไม่ดีแล้วเขาจะไม่ได้เป้าหมายตามที่เขาต้องการเราก็บอกว่าการเีโรงเรียนนี้มันไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราโรงเรียนก็เป็นถึงทางเท่า น, ทนั้นเองแล้วก็มีหลายทางที่จะไปถึงเป้าหมายของเราได้เือยนโรงนี้ก็ไปถึงได้เรียนอกโรงเรียนหนึ่งก็ไปถึงได้เหมือนกันเพราะมีโรงเรียนดีๆในระดับหนึ่งในสิบนี้ก็สามารถพาให้เราไปได้เหมือนกัน ต้องก็เียทายอคติต่อความรู้สึกต่อโรงเรียนที่เขาเรียนบองต้องเขจะมุ่งไปโรงเรียนที่ดีที่สุดของในประเทศระหว่างเตมนด์มกับมาฮิดดมเนี่ยมาถามเราเลยบอกเราไมรู้หรอกอาจารา์นอนๆไหนก็ดีทันั้คือมันมันจะเรียนในไหนก็ได้หอกเพราะว่ามันสิงที่เราต้องการไม่ใช่โรงเรียนแล้วต้องการตามรู้ แล้วโราเรียนเขาก็ให้ความรู้เท่าๆกันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเป็นเล็กน้อ ย, อยแต่มันไม่มันไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญหรอกประเด็นสําคัญคือขอให้เรามีความรู้ก็แล้วกันได้ความรู้ที่เราต้องการก็เนี่ยเวลามีความอยากมา ก, มากๆนั้นจะเป็นความอยากในทางที่ดีก็ เป็นปัญหาได้ก็พยายามบอกเขาว่าต้องใช้ทางสายกลางคืออย่าเพ่งจนเกินไปและอย่าหย่อนจนเกินไปคืออย่าไปอยากเต็มที่จนกระทั่งไม่มีเวลาถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ดังที่ต้องการก็จะเสียใจยต้องล้ายว่าต้องบอกว่าให้มันพอ ป, ประมาณได้เท่าไรก็เท่านั้น แต่ก็ให้เราทำให้เต็มที่ก็แล้วท<ม>ันแต่ตัวเขาเขาเรียนเต็มที่เขาไม่ทําอย่าง<ม>อืง่นเลยเขาะอาการเรียนอย่างนี้ถ้าท่านพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอย่างนีนะักนะจิวิทยาสอนคนให้ทําให้คิดทักษณะเป็น p o โพสติ้งจิ้งอยู่เลยอย<ม>แต่ลักณะนั้นซึ่งการคิดโพสติ้งจิ้งนี้มันมันละเลยเรื่องอดิจังไปหรือเปล่า ทางลูกเขาแม้จะไม่ม อ, องทางทางอนิจจังกับอนัตตากาจะไปคิดว่าจะดีไปเรื่อยๆจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่การพัฒนาสูงขึ้นไปดีขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปอ่อแต่เขาไม่เคยคิดถึงขาลงมาทุกอย่างนี้นไม่ว่าใครก็ตามถึงแมา้การพัฒนาจะมีการพัฒนาอย่างต่อเ น, นื่องแต่คนที่พัฒน า, านั้นไม่ มันต้องถึงเวลาที่หนึ่งพัฒนามไปไม่ได้คือร่างกายของคนเราเนี่ยมันถึงขีดนมันก็ต้องเสื่อมไปควาจมจําอะไรต่างๆมันก็จะมันก็หมดไปมันก็จะต้องตายไปเขาไม่คิดถึงเรื่องนี้เขาอย่างที่ไม่พี่ได้พูดมาทางโลกเขาไม่อยอมคิดถึงเรื่องความตายพอ พ, พอไปพูดถึงเรื่องความตายเ้าก็เลยเหมือนกับคิดว่าอย่างนี้เรก็ไม่ต้องทําอะไรสิ เพราะเราก็ต้องตายอย่างดีเขาก็กลับไปคิดอย่างนัน้เขาถึงไม่กล้าไม่กล้าที่จะคิดถึงความตายเพราะกลัวว่าถ้าคุดถึงความตายแล้วจะทําให้เกี่ยวพันจะไม่มีความมุ่ ม, มันะที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ต่างๆมี่ก็เป็นเรื่องของงาโมหะอวิชชากล้องนำใจเขาไม่เห็นตัวทุกข์ว่าความทุกข์ ที่เกิดจากความคิดอย่างนี้ทําให้เขาไม่มีความสุขต่อให้เขาได้เป็นนักปราชญ์ของโลกก็ตามเป็นไอสตไตน์นี่เป็นใครก็ตามจะจะเป็นคนที่ก็ค้างที่จะไม่ก็มีความสุขไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับคนทางธรรมที่อาจจะไม่มีคำนี้ทำโลกเลยเช่นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาหลวงลูกทั้งกายของใคร ท่านยังอ่านไม่ออกมามัยที่ท่านเดือดทรานต้องาศัยท่องเอการความรู้ทางโลงมันไม่ได้มาดับความทุกข์ภายในใจต้องมีความรู้ทางทางธรรมเท่านั้นที่จะดับความรู้ทางทางในใจได้แล้วก็ต้องมีความรู้ใ น, ในใตายร่างนี่แหละรู้อ น, นิจจังรู้อ น, นิจจา คี่พยายามสอนอยู่ตลอดเวลาก็พยายามสอนตรงนี้แหละสอนให้คิดถึงอนิจจังอยู่เรื่อยๆความไม่เที่ยงถ้าคิดถึงอนิจจังยูเรื่อยๆนี่มันจะก้าวหน้ามันจะก้าวหน้าไปตลอดต้อเราสังเกตดูตัวเรางานเนี้ตั้งแต่เราเห็นคนตายครั้งแรกในชีวิตตอนอายุแค่สิบสองขวบมันก็จะคิดถึงเรื่องความตายอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้คิดแล้วทาให้หดหู่ใจแต่อย่างไร ม, มันไม่ได้หดหู่ มันคิดด้วยเหตุผล ม, มันคิดตามความเป็นจริงคิดเหมือนกับนักวิทยาศารวิเคราะห์ปัญหาต่างๆว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้เหมือนเราวิเคราะห์เรืฤฤฤ่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็มีขึ้นมีลงการใจของเราก็ไม่ได้ไปซึ่งเจ้าตนะ้งมีอารมณ์ไม่ดีกับการวิเครานะห์นั้นเราวิเคราะห์ด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ยึดติด มังจะตัดปัญหาต่างๆให้เบาบางลงไปมันก็ไม่หนุนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พิจานรณาอยตลอดเวลาเราเนี่ยถึงยังต้องกระเสือกกระสนไปเรียนต่อไปหาโรงเรียนไปทำ ง, งานหาเหงินเก็บเงินแล้วก็พอมีเงินพอก็ติดต่อหาโรงเรียนเรียนต่อมันก็ยังอยากจะไปมยน่นอกเมืองานี่อยากจะไปสัมผัสกับโลกที่เราไม่เคยเห็น แต่ยไม่ถึงกับค่าๆว่าสุดๆว่าจะต้องได้นัจะต้องได้อย่างนีนงงนงนน้คือเราไปในลักษณะเ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเวลาไปเรียนนี่ตอนต้นกไไ็ไม่ได้ไม่ได้คิดหวังจะพึ่งทางบ้านคือก็คิดว่าเรามีเงินก้าวแรกนี่ไปเริ่มตน้นครับเราก็ไปเรียนไปไ ป, ไปหางานทำไปถ้าจบก็ดีถ้าไม่จบก็ถือว่าใต้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นกําไรแนละ้ว ดีกว่าไม่ได้ไปถึงไม่ได้ไปมันจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเนี่ยได้ไปแล้วมันก็ได้เรียนรู้ทั้งทางวิชาในห้องเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้กับประสบการณ์ที่เราไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสถ้ามาอยู่ที่นี่ออกไปที่นั่นมันเราจะได้ไปพบกับสิ่งแปลกใหม่ๆอ ะ, อะไรต่างๆนี้ถึงนม้นไปได้เพียงปีสองปีเราต้อง ก, กลับมาเราก็จะไม่เสียใจนะครับคิดอ่า คือวละถึงว่ามันดีกว่าสูงอยู่แล้วยังไงมันก็ดีกว่าไม่ได้ไปอก็ไม่อยากจะรบควนทางบ้านผู้สารก่อแม่เห็นเ้าหาเงินหาทางมาด้วยความยากลำบากก็ไม่เคยขอต้หาเงินของเราเองติดต่อโรงเรียนหาโรงเรียนเองชื้อตัวเองใช้เงินของเาเองมาถึงมันจะไปก็บอกว่าจะไปแล้วนั้ย เขาจะส่งไปให้เราหรือไม่ก็เราก็ไม่เลยถือเป็นความลแต่แเขาก็ส่งไปให้ทุกเดือนแต่จำนวนที่เขาส่งไปนี้มันก็ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าที่จ่ายอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องหาหาเองด้วยการทำงานช่วงปิดเทอมบ้าช่วงระหว่างเรียนบ้างก็พอถือถายไปจนเรียนจบได้ เราประดิษฐ์กลับมาก็ไม่ได้รีบตะเพรื่อน้นจะต้องมีงานมีการจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เเมื่อกับอยากจะพักผ่อนมาเรียนแล้วทำทงานาด้วยมันเหนื่อเนี่ยมันเหนื่อีไอ้ชีวิตของเรามีแค่นี้นะตะเกิยดตะการกัอยู่ตลอดเลยเพาต้องตะเกตยดตะการไหางานเป็นใคสหางานหางเงินเพื่อจะไปเรียนพอเปเรียนก็ต้อไปเก็บตะเกียะจายเรียนแล้วก็ทางานต่อ พอจอมาล้นี้ก็ยังเียตะกายหางานหน่อยนี่แล้วก็ต้องทำไปสาสิบกว่ีแล้วถึงจะเกษียณอายุแล้วตลอดค่ะบก็วชีวิตของเรามันหลับแล้วก็เกินมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี ALLY, young, and and well. ้ยแต่ก right? so ็เขาแค่สารเลยท่าก็เลยหาวนี้เช่าวันก็ ไม่ไม่มีงานก้อนอเหลือกลับมารับแต่แล้วมันก็ะมีงานเหลืออยู่ก็เลยโอกาสที่จะต้องทํางานอยู่ประมาณเกือบเกือบปีแล้วก็อยู่อย่างสบายสบา ย, บายอาบท ะ, ะเลอาบแดดอนหนังสือต่างๆหาหนังซื้อจากคนที่รู้จักกันนคนที่ชอบนักท่องเที่ยงเขาจะมีหนังสือเก็ตัวกันมาสองสามเล่มเรามีสองสามเล่มเราก็แรกกันอ่า เขาของเราไปเราของเขาบางทีก็ไปอ่านตามร้านหนังสือขอเขาอ่านไม่ได้ซื้อเลยงานมันก็มันก็ได้ความรู้เกี่ยวกับคือหนังสือวมื่ี้เป็นหนังสือสาษาังกฤแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านนิมิตยาเกินไม่ใช่เป็นแบบปรัชญาแบบครัสิคมีการเรียนคล้ายๆเก่งเก่งนิทานเก่งนิยาอะไรแบต่ เนยใช้เคยได้ปัติยาคงชีวิตมันก็ทําให้เราคิดว่าชีวิตของเรามันก็มีมทางเลือกเหมือนกันนะถ้าเราจะทําตามคนอื่นที่เขาทากันคือออกไปหางานหาเงานินไปมีครอบครัวหรือเราจะไปอยู่แบบมีสีชีพไปหาความจริงของชีวิตเราก็ยังไม่รู้จับทางจนกระทั่รรมม ง, งได้นังสือธรรมะลองเล่นง่าย เสืเเ้อเล็กๆไม่กี่แน้ว่ายี่สุบกว่าหน้าที่เขาเอาเรื่องของอนิจจามันมามามาเขียนไว้คือไปคาดเอาเลยในพระไตรปิฎกควาความพูดของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเกี่ยวกับอนิจจงมาอ่านพออ่านแล้วมันก็ขลุตาสวรรค์ขึ้นมาเพราะนอกจากพูดถึงอนิจจันแล้วก็ทรงพูดถึงมากเนือคือ เพื่อึงวิธีที่จะปฏิบัติกับความไม่เที่ยงต่างๆถึงเข้าใจว่าจะมีการภาวนามีการยั่งสมาธิามจิตใจให้สงดเพื่อจะให้จิตใจรัอกกับความเปลี่ยนแปลงไดา้ถ้าจิตใจไม่สงบไม่อเวลาเกิด ก, การเปลี่ยนแปลงขึ้นมานี้จะรัอกไม่ได้ถ้าจิตสงบแล้วจะรัอกได้จะเริ่มไม่เดืด้ก็ได้เริ่ม S <S เม่อก่อนก่อนจะเลื่มก็เป็นของเขียนไปขอนนังสือไปซื้อหนังสื อ, สอเพื่อจะ ท, ท, ที่ที่ลงผิงที่เขาผิงจกเพืนะอ่อายก็ได้หนังสือมาสติปัตยานามก็เลยได้ได้ริมามาสติปัตยานิสัยเป็นคํำทีเป็นคู่มือของการปฏิบัติตอนต้นก็ท่องก่เวลานั่งสมาธิถ้าอยู่กับลมไม่ได้เรา อยอยู่กับลมหายใจไม่ได้มันยังคิดสร้างอยู่ก็เท่าก็สูไม่ไปก่อนใช้เวลาประมาณแค่สี่สิบนาทีนั่งไปท่องไปมันก็เพลินมันก็สนุกมันก็สบายเหมือนกับเราฟังเทศเวลาฟังเทศไปมันจะไม่รู้สึกจุดอัดเหมือนกับเวลานั่งโดยคำพุทโธด้วยวมหายใจมันก็บอึดอัดเพราะมันไม่เป็นเรื่องเป็นรา ในเวลาสังเทศน์ฟัํารรมมันเป็นเรื่องกันยาวฟังไปแล้วมันก็เผยหรือถ้าเราท่องข้อสูนนี้ก็เป็นเรื่องกันยาวเนื้อสติประฐานสูตรนี้เป็นเรื่องเป็นราวสงสารให้เราจเจริญสติในร่างกายในเลือดธนาในจิตในธรรมนะครับสงสารวิธีที่มีหลากหลายด้วยกันในร่างกายนี้้ขึนมีหลายลูกแบบ ในรูปแบบของการวิญญาณบทเคลื่อนไหวคือเวิญญาณวิญยาบทสื่อก็ให้มีสติตามรู้ร่างกายว่ากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งหรือกาลังมองหนูหรือจะพิจารณาอาการ32ของร่างกายถ้านด้หรจะมีสติตามรู้การกระทําต่างๆของร่างกายได้ว่ากําลังจะทําอะไรอยู่ก็ให้ให้รู้ให้ตามรู้ให้รู้เดียวกับ กิจกรรมของร่างกายที่กําลังทำํกำกําลังเดินดึงตบาทกําลังฉันกําลังสูบน้ากําลังพูดกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาอะไรเหล่านี้ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะมีสติขึ้นมาเมื่อมีสติน้าก็จะสามารถใช้สตินี้ควบคุมความคิดของเราได้ควบคุมให้อยู่กับลมหายใจ ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธได้จะไม่ไปถ้าไม่มีสติแล้นอยู่ได้เพียงสองนิสามนี้ก็ไปแล้วดูลมได้สองนิสามนี้ก็มีเรื่องนั้นมาแล้วเรื่องนั้นกระสอดเข้ามาเรื่องนี้ก็แทรกเข้ามาแล้วก็เถอไปคุยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพิจารณาไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆจนทั้งเอาลืมลมลืมบริกรรมพุทโธไปแต่ถ้ามีสติแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้น พอมีสติแล้วมีเวลาว่างจากทางะนะจิตจะนั่งสมาธิหาหมุนสงบนั่งบริกรรมพุทโธเรื่องกำหนดดูลมหายใจเขาออกมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะทําให้จิตค่อยๆสงบ ต, ตัวลงไปเคล่อและเคลื่อน้อยจนสงบเต็มที่ได้พอสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่มหาศาลใ จ, จเป็นความสุขที่จะไม่เคยพบ ม, มาก่อน จากการสืบ ส, สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้พบกับความสุกนี้แล้วก็จะสามารถละความสุกทางตาหูจมูกทิ้งกายล ะ, ละการมักสัมผัสละโดยเผยว่าการมักสัมผหรือความสุกทางตาหูจมูกทิ้งกายนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดมันสุกเฉพาะเวลาที่ได้เสึกได้สัมผัสพอเวลาไม่มีมันก็รู้สึกอ้างว้างปากเปล่ย ต้องหามาเสพอยู่เนระื่อยๆเจ็ตก็เลยต้องวิ่งตะคุบเราอยู่เนระื่อยๆวิ่งหาลูดเสียงกินแล้วปวดกรพาะอยู่เนระื่อยๆตั้งแต่มันเกิดมาจนถึงวันนี้ก็ยังวิ่งหาอยู่ถ้าตุดใดที่เรายังไม่ได้พบกับควาสมสงบของจิตแต่พอได้พบกับคาสมสงบของจิตแล้วทีนี้มันไม่ ไ, ไปหาแล้วูดเสียงกินแล้วมันจะวิ่งเข้าหาตัวนี้เองมันพยายามจะหามาอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็พยายามที่จะตัดไป ถ้าทํางานทำการอยู่มันก็รู้แล้วว่าเวลทํางานมันจิตก็คลุ้งซ่านเรื่องยามันเข้ามาทําให้จิตต้องคิดข้องตื่นตลอดเวลาแล้วเวลาจะมาทำจิตให้สงบก็ยากก็เลยรู้แล้วว่าการทํางานนี้เป็นเป็นอุปสรรคเป็นไม่หวนทําให้จิตคุ้งซ่านเราก็ต้องตัแดไงนี่เราก็ต้องหาวิธีเราจะตัดไง ถ้าเรายังต้องเพื่งนพาวสายงานนี้อยู่เพื่อเป็นการมีรายได้ามาจูนเจอเราก็ต้องพยางานจัดสมเก็บเงินทองไว้ให้มีพอกับการใช้จ่ายของเราพอเรามีพอแล้วเราก็ควรที่จะออกสางานได้อย่างเราตอนนั้น่ชงดีเราก็ทํางานเกยหกเดือนติดหลังจากที่ ทักอยู่ปีแล้วก็ได้งานเป็นผู้จัดการนไม่กิ น, นเดือนละสามพันค่าทำอีหกเดือนเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เที่ยวอยู่ 6, 000, ย 6, 000, ย 6, แล้วเรานั้นก็เังเก็บเงินได้ประมาณทักหกพันหรือหกเจ็พันก็คิดเดือนเง็บค่าี่้จ่ายถ้าเรากินอาหารเวลามือเมือเองก็จุด บ, บาทก็บบคุกอยูอ่หน้าลวเพราะเก็ดเยาว์ชามะสองบาทข้าวมันไก่เาวชาละสาบาท ปีเกจิบ่ามันก็เหลือเกิแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ได้ปีมีแสดงอยู่ปี 66, กหกพันหกพันก็เลยลาออกแต่ละแล้วก็มีเป้าแล้วว่าปีไหนนี้จะให้ได้ไปแล้วทางกรรมฐานะเรื่องการหาทางสุขทางตาหูจมูกมูกใจจะภาวนาลเดือดจะเจริญสติตามาของสติปัฏฐานปีนี้อย่างเดียวตั้งแต่แต่เริ่มมาจนหลั โยย่อมสมาธิโยนจงกรมอานหนังสงือาารสธรรมะอ่านีนังสืมะก็เป็นการเจริญเขาเยกธรรมานิสติมีสติอยู่กับธรรมะเวลาอาา่นนสนี้ก็เป็นธรรมานิสติเวลาเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นการยตาสติเวลาเรานั่งไปยะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นเาเราก็อย่า ไปยุ่งกับความเจ็บตัวดนั้นเพียงแต่ให้รับรู้ความจริงของสังจะรับรู้ด้วยวิธีของสมาธิก็ได้ถ้ามันเจ็บมากๆจกกนรู่สุกทนไม่ได้ก็บริกรรมให้ทําบริกรรมไปเวลาทําบริกรรมอย่างทียุ่งไปไม่นานเดี๋ยวาความเจ็บนั้นจะหายไปความทุม้งทั้งความทุกข์ทรมานใจจะหาย ไ, ไปด้วยมันก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อ การปฏิบัติของมาสติตฐานสูงนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ให้เราได้เผิญได้ต่อสู้กับความเจ็บปวดได้ของร่างกายทำให้จิตใจของเราไี้มีความอดทนมีความเข้มแข็งเพราะความจริงนะจิตเราไม่ได้เป็นอะไรไมันเป็นที่ร่างกายแต่จิตเราไปเกิดมีอคติกับความเจ็บของร่างกาย ไปมีสมุทยัยคือความอยากให้มันหายไปมันก็เลยไปสร้างทุกข์ขึ้นมาไปเอจาพอเราเอาจิตมาบริกรรมมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปมาอคติพอมันไม่มีอคติทุกข์ในใจก็ดับไปถ้าทุกข์ในใจดับไปความเจ็บปวดของร่างกายที่อาจจะดับไปด้วยหรือไม่ดับไปด้วยมันก็จะไม่ดุจอย่างบางทีมันก็ดับไปพร้อมกับทุกข์ภาในใจ บางทีมันไม่ดับแต่มันก็ไม่ทอมันไม่เจ็บปวดมั้องทนไม่ได้มันทนได้แต่ที่มันทนไม่ได้เพราะอิเล็กตรคือปัญหาคือสมุทัยมันไม่อยากจะทนมันไม่อยากมันไม่อยากจะรับรู้มันอยากจะให้มันหาไปแล้วเราบังคับไม่ให้มันลุกขึ้นมาแล้วมันก็ทอมันใจใช่ไหมโดยปกติแล้วพอเราเจ็บนี่เราจะลุกพันธุ์เองเราจะเปลี่ยนปริญามทันที มีพ่อเราแพ้แพ้อำนาจของตัรหาความความมีอคติต่อความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าเรารู้ธรรมก็เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปถี่ยิบเลยอย่าให้มันมีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บเลยมันก็จะมันก็จะดับความทุกข์ความกังวลกวาดความทรมานใจได้แล้วความเจ็บที่ในร่างกายจะมีอยู่แล้วไม่มีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเลย มีอยู่ก็ก็อยู่ด้วยกันได้หรืบางทีดัาบไปก็ยังดีก็ยังสุขสบายก็เห็นความอัศจรรยของการบริกรรมนี้ามสามารถที่จะทําให้เราผ่านทุกข์ด้วยแ่ละทางการนี้ไปได้หรือถ้าเราจะใช้วิธีหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาก็คือพิจารณาความจริงของความเจ็บของร่างกาย น, นี้ว่ามันเจ็บจริงหรือเปล่ามันเจ็บแล้วถ้าเราทนไม่ได้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเทียนแค่ แค่แค่สภาวะธรรมหนึง่งเหมือนกับสภาวะธรรมอื่นๆที่ถ้าเราอยากจะจะรับรู้เราก็รับรู้ได้แตบางทีเราไปมีคติกับเขาท่านเองเช่นเวลาเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบขึ้นมานี้เราก็เกิดอคติเนี้ยเราก็อยากจะให้รูปนั้นหายไปหรือเราอยากจะหนีจากรูปนั้นไปมันก็จะสร้างความทุกข์ทางใจจางขึ้นแต่ถ้าเราทําใจว่าต้องอยู่กับเขา ต้องเห็นเขาแล้วก็ไม่ไปไปมีคติกับเขายอมรับความจริงของเขาเขาจะมาปรากฏให้เราเห็น mm hmm. ก็เห็นไปถ้าเราทำใจให้นิ่งได้มันก็ไม่ถอมารังใจ mm hmm. คือยอมรับความจริงของเขาเราก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยสอนใจให้รับความจริงกับเวธนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุดเมตนาหรือทุกเวธนาหรือไม่สุดไม่ทุกเวตนา เขาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันเราเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปชอบสุขเวทนานอย่างเดียวหรือหรือหรือก็กับไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เฉยเฉยได้แต่กับทุกขเวทนานี้เราเฉยไม่ได้เราชอบไม่ได้ทำไมจะชอบไม่ได้เขาก็เป็นเวทนานเหมือนกันถ้าาหัดชอบได้หรือหัดเฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์ทางใจง นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเพื่อปล่อยวางเวทนาทั้งสามปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปให้ปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปเขาจะเปลี่ยนจน ส, กนจนนสุกก็เปลี่ยนไปเขาจะเปลี่ยน็นไม่สุขไม่ทุกข์ก็เปลี่ยนไปเขาจะเป็นยังไงก็รับได้ต้งนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วมันก็จะดับความทุกข์เกี่ยวกับเวทนาได้อย่างถาวรไม่ต้องไม่ต้องใช้การโดยกลั แต่ถ้าเราไม่ฉลาดพอที่จะแยกแยะที่จะวิเคราะห์ได้เราก็ต้องอา ศ, า ศ, าศาัยการบริกรรกมตปก่อนว่าการบริกรรกมนี้มันง่ายที่สุดเพียงแต่เริกรรพุโทโธพุทโธไปให้ถี่ยิบเลยอย่าให้มันมีช่องว่าไปคิดถึงความเจ็บเลยเราดูที่ว่านแล้ว ม, มันจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังหรือไม่นี่นก็คือเรื่องของ การปฏิบัติตามแนวของมาสติปัฏฐานสี่ที่เราค้นความศึกษามาเองโดยไม่มีอาจารย์ครีนทั้งตัวปฏิบัติอยู่คนเดียวอาศัยนักเสี่ยงมือ เ, เป็นอาจารย์เราก็ไม่สงสัยเในพระพุทธในพระธรรมประสงค์ว่ามีมีมมเรือไม่มีหรอะไรีไม่เคยคิดสงสัยเวลานักเสี่ยงทำละนักเสี่ยงหลวงพ่อพิจิเจ้ากำลังพูดกับเราโดยตรง เหมือนท่านพูดกําเราโดยตรงําพูดของท่านนั้นจะเป็น 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่มันก็เป็นความจริงว่า ม, มันมีความจริงก็เพราะเราได้ฟังจากพระโอษฐของท่านนันก็เลยมีความมั่มนใจนถึงที่นำขายก็คือความกล้าหาญและความอดทนและความขยันที่จะเอามันให้มันเสร็จภายในปีน้ำาันน้ำเลนเท่านั้นเ อ, อเราก็บางเวลาก็ยังแพ้กิจอยู่ บางทีนั่งแล้วเจ็บก็ทนได้ไหมก็เปี่ยนวิญาก็ได้แต่บางครั้งบางคราวมือนก็ฮึดสู้มันมันเป็นเยมัเป็นเป็นจังหวะบางเวลาก็ก็ท้อหดบางบางเวลาก็รู้สึกอ่อนแอบางทีก็รู้สึกอยากจะยอมทพาก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้เวลาได้ทำอะไรที่มันยากมันลําบากมากๆบางทีมันก็ท้อแท้เหมือนกันมันมันอยู่อย่างเดียวว่า ถอยไม่ได้ท่าเลิกไม่ได้มาทางนี้ก็ต้องไปถ้ายังไม่ตายก็ต้องไปนี่เงี้มันต้องไปได้เวลามันท้อแท้บางครั้งางก็หยุดนะ่าไปเที่ยวบ้างแต่ไม่ได้ไปเที่ยวตามกระถางน้ำเทงก็ออกไปตามทางทะเลไปนู่นไงนู่นอะไรแ้วมันเพินตาหูมากอาพอเบื่อแล้วก็กลับเข้ามาทําต่อ กระทั่งมันครบเตืมันก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องตัดใจแล้มันก็รู้ว่ามันต้องเบื่อแล้วเพราะว่าถ้าไม่บื่มันก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้ากลับไปทางานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงต่างเงขามมันก็จะไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติไ่าเก็มที่ก็เลยต้องหาวต้ก็หาวัาไปจนได้รับทราบก่าไป้ค่ไปเบื่อกบบสมเด็จพยานสังวรที่วัดบัว แล้วให้ใจเหยื่ครูบาอาจารย์ทางสายนลวงปู่มั่นที่ทางภาคอีสานระกาปตามที่ได้รับการทำแนะนํนำบวนแล้วก็ได้ไป อ, อยู่ที่วัาสายล้งกะก็อยู่แน่นตลอด9พารษาตั้ง้ต่ปี2 5 1าถึง2526ประมาณ8ปี8เดือนเข้าไปในษาลหลวงต่ ออกคำวา่าสองศตวรรษก็ไม่ได้ไปไหงตลอดแต่ปีแปดเดนนั้นจะหยุดเงี้ยกันมาขอลาจากมาเนี่ยมบ้มาอยู่สองครั้งทั้งงา่ายจห้าปีผ่านไปนั้นไปนติดคุกติดคุกในกองเสือเนี่ย ไม่ได้คุลนกลัวเสียมากกว่าแต่ม <Okay. S 1> ันพาทางม mm ันพาทางมันทำให้เราใช้ควาต้องต้องคิดอยู่ตลาดเวลา mm hmm. ต้องมีสติอยตลาดเวลา mm hmm. ต้องใช้ปัญญาอยู่ตลาดเวา mm hmm. เวลาไปไ ห, หนาามาไหนนั้นพระจะร่วมทั้งสั่งเวลาอยู่ตอนหน้าหลวงจ้าแล้วเราก็ตักจาแล้วเราก็องถืนงนั้นหรือเปล่าตอนต้นเราก็ไม่สั่นะเราชิลๆเพราะยังไม่เคยถืกกัดนี้ไม่เคยถือตะปออยอยู่ไปอยู่ไปโดนตปอะปกกอั้โอ้โ <laughs> นี่เห็นท่านเดินมาก็เล่นหิ้ท <laughs> าดีท่าดีท่านจึงกับเราไหค้ท้ ทำทำให้เราได้ไปเราได้อย่างรวดเร็งทําให้ท่านกำลังใจท่านให้ท่านความรู้ท่านให้ท่านอุบายทางจากที่เราจะไม่สามารถที่จะดึงได้ด้วยตัวเเองถ้ารู้ได้จ็อาจจะช้าอาจจะต้องเสียเวล า, าไปมากพอฟังหันท่านดูถ้าท่านชี้บอกเป็นบอกเป็นจุดเด่นนว่ามาถึงตรงนี้จะต้องเรียกข้างเลี้ขาแต่ตอนน้นเราจะต้องทำยังไง มันมันไม่รังเลยนะกามันตายไร่ห อ, อย่างตลอดเลย น, นี่ก็รองของของกายรักมัอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยภายีนพิาาทุกอย่างน่าเป็นกายรักว่าเราจะได้ความวาก็จิไม่ได้เป็นสิ่อะไรจิตไม่ได้เป็นกายรักการจิตไปผัวพันกับกายรักไปลงจิตเหยีกับกายรัก แล้วก็ใจรักก็จะถูกใจรักับกัไม่นเหมนไปยุ่งกับงูถ้าเราไม่ไปยุ่งกับงูแล้วงูไม่กัดเราเราไปเล่งกับงูเพ้าที่เราหมองูตายท้องูพวกเราก็ทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับพวกที่เป็นใจรักเองไนยุ่งกับลกเสียงกลิ่นรสดนะคับไปยุ่งกับขันท่าลูกเวทนาสัญญาสงสารนิยามตรงนี้มันเป็นใจรักเอง เราก็ต้องปล่อยวางต้องพึ่ะพาให้รู้ทันเพเห็นว่าเขาเป็นไปรักนะเราก็จะปล่อยวางเข้าไปรา่งงรางได้เราก็หยุดแล้วก็ค้นจากเรื่องของตจเรจ้น <c oughs> จ <c oughs> ากทางคดจักร ขัทั้นแรกก็คือพอดูท่านเดินถานงานพิธารแล้วเ่าสั่งให้จะทำอะไรท <l> ัางอย่างตอนนี <diction> <Portuguese> ้ท่านพูดค่อยตอนไม่ไม่ชัดเราไปจับถามกันว่าว่าอะ้ครับ ข้อสอ่นนี้ Dog, ่นนี <c oughs> <c oughs> ้ท่แต่เราเป็นคนแบบหุ <c oughs> <M> ่นโง่กลางห่อนเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เราเคยอยู่กับเขาหลังไม่รู้อะไรก็ถามทงหนึ่งท่านก็เอากล้วยมา่ท่านบอกให้ออไปไว้ที่ลานที่ทางเล้นตกะรอกใช้การศึกษานเราไม่รู้และไม่เคยไป กาบการทั้งยที่ไหนต้ออย่างนี้เลยเอาไม่ยังใหม่หรอกท่านยังไม่ถักข้อเลยยังเป็นดิมอยู่แต่ทั้งที่สองมีพอถามอี่ชื่อก็จะข้อใจหรือต่อไนไม่ก้าถารู้ไม่รู้แต่ใช่ ไม่รู้ว่าทำเนยของลถงเนือถามไม่ได้ท่านผู้เ่าแล้วมีแต่ภาพอย่างเดวรือ เ, เฉยอย่างเดียวแล้วท่านจะรู้ว่าเราเข้าใจไม่เขาใถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจท่านก็จะย้อนขึ้นมาอ้อนถามไม่ได้ท่านอาจารย์ใช้บบนี้ด้วยหรือามหน้กรึกไม่หรา ก, ก็เพิที่เทาติว มันยืดรู้สบนเข่าอะานก็เปน่ในในร้านเป็นแบหนึ่ในรนกาคือท่านเดินดเดินท่าเดินแล้วบางทีท่านได้ใส่รองเท้าด้วยก็ให้รู้ึกเว่าท่านเดินจะเป็นรมองเท้าหลายตั่เดยวต้าไปหน่อยะ เราใครมันกันถามไหมครับโอ้โหตกคนนี้ไอ้ตัวนั้ กเนต่ออาจารย์ีน้องที่เราอยู่อกาังนนี้ขห่หน้ามาวปนันกสว่า เขาเหลือแต่ท่อนบลนะค่อนล่างก็จะเป็นอย่างี้แล้วก็อีกครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหี่ยวที่ืาแต่เขาก็ยังไม่ค้อเสียเขา่าเารู้สึกตัวที่เป็นทางนบอก่บอกเขาว่าเวลาเ้านั่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเช่นอย่างที่เขาเล่ามานี่ก็ให้รู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่รับ เรารับรู้ให้ดูว่ามันเป็นอะไรจังมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญที่เราต้องการจากการนั่งก็คือทําให้ใจสงบเป็นกลางเป็นอุเบกขาอันนั้นคือเป้าหมายของการนั่งส่วนบางทีนั่งแล้วตัวพองขึ้นมารู้สึกว่าตัวลอยขึ้นไปหรือมีอะไรต่างๆซึ่งแต่ละคนมักจะมีอะไรไม่เหมือนกันเหล่านี้ก็อย่าไปถือว่าเป็น ผลที่เราต้องการเป็นผลคอยได้ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดขึ้นก็เพียงแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางเขาอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปกลัวหรืออย่าไปอะไรเท่านั้นเองให้รู้ทันว่าเขาเป็นเหมือนกับภาพยนตร์ที่เราดูภาพยนตร์ดูแล้วเดี๋ยวมันก็จบหนังมันก็จบแล้วมันก็หายไป ก็เราออกจากสมาธิเราก็กลับมาสู่ร่างกายที่เป็นเหมือนเดิมของเราอย่นี้ขณะที่นั่งมันจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้มันไปนอกจากว่าถ้าเห็นว่าร่างกายนี้มันเห็นอวัยวะต่างๆเห็นอสุภะเห็นปฏิกูลอย่างเงี้ยเราก็เอามาเจริญต่อได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วเราก็มาเลิกถึงภาพเหล่านั้นได้เพราะมันจะช่วยตัดราคาตัญหาได้ ซึ่งก็เป็นงานของวิปัสสนาถ้าทำได้ต่อเนื่องมันก็จะทำให้ตัดกิเลสได้ถ้ายังทาต่อเนื่องไม่ได้มันก็ตัดได้เป็นช่วงๆเวลานึกถึงภาพเหล่านั้นมันก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายพอมันเสริมเดี๋ยวมันก็เกิดอาการอยากขึ้นมาได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะต้องการตัดความอยากในกามอย่างนี้เราก็ต้องเจริญ อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างนักบวชเนี่ยต้องต้องเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเผลอแล้วเดี๋ยวมันทำให้จีวรร้อนขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ในสัมมณเพศไม่ได้แต่เป็นคารว่านี้ยังไม่ได้มีมีรั้วมีมีมีกรอบบังคับถึงขนาดนั้นก็เลยยังไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงแล้วถ้าจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาส่วนนีอยู่ดี แต่ว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองส่วนของคารวะนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องการสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่มากกว่าอยากจะนั่งแล้วทำํำจิตให้สงบให้สบายใจก็จะได้ไปต่อสู้กับชีวิตต่อไปเพื่อยังไปรับใช้กิเลสต่อไปเพื่ง่ายๆยังไปรับยังไปรับใช้สนองตันหาฟังอยากต่างๆต่อไปยังอยากไปเที่ยวยังอยากไปดื่มอยากไปรับประทาน อยากจะไปดูยังอยากไปฟังอยู่แต่อย่างน้อยก็มีสมาธิบ้างก็ดีเพื่อจะได้ทำให้ความอยากนี้มันไม่รุนรงเกินไปจน ถ, ถึงกับต้องไปทำบาปทากรรมแต่ถ้าอยากจะตัดอย่างทา้าวล์นี้ก็ต้องพิจารณาใส่รักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องเห็นว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรามันไม่ได้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง มีความสงบของจิตความเป็นอุเบกขาของจิตนี่แหละเป็นที่ึ้นของเรานบอกเขาอย่างนีัการปฏิบัติเบื้องต้นก็คือสติพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆทุกในระยะบทพยายามดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายของเรา เป็นหลักจะอยู่กับจิตบ้างก็ได้แต่จิตมันละเอียดกว่าแล้วมันเร็วกว่ามากจะไม่ทันมันจะไม่ค่อยได้ผลดีเท่ากับดูที่ร่างกายก่อนดูที่ร่างกายไปเรื่อยให้มันจิตเกาะติดอยู่กับร่างกายไม่ให้มันลอยไปตามอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วจิตจะว่างไปตามลำดับจิตจะสงบไปตามลำดับทั้งที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิเลย แต่มันก็จะว่างจะสงบหนงไปมากกว่าที่ไม่ได้มีสติคอยควบคุมให้อยู่กับกายพอไม่มีสติอยู่กับกายแล้วมันจะคิดเลื่อยเวื่ยแล้วก็จะเกิดอารมณ์คุ้งซ้างต่างๆขึ้นมาแล้วพอจะมานั่งทำสมาธิจะนั่งไม่ได้พะมันคิดอยู่ตลอดทั้งวันพอพอถึงเวลาจะให้มันหยุดคิดทันทีทันใดมันหยุดไม่ได้ ตอนนั้นก็ต้องฟังเทศไปก่อนถ้ามันอยู่กับนมไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้ก็เปิดเทศธรรมะฟังไปก่อนก็ได้หรือถ้าเราท่องบทสวดมนต์บทไหนที่เราจำได้ก็สวดไปสวดไปซ้ำๆซักๆไปกลับไปกลับมาจนกว่าความคิดตกแต่งต่างๆเมาบางลงไปแล้วค่อยามาดูลมต่อถ้าดูได้ก็ดูต่อไป อล้าลมนี้หรือพุโทโธนี้ก็จะพาให้จิตเข้าสู่ความสงบได้พอขณะที่จิตสงบก็อย่าไปรบกวนความสงบนั้นอย่าไปกังวลว่าจะต้องออกไปทำภารกิจนั้นภารกิจนี้ปล่อยให้จิตสงบเต็มที่ก่อนปล่อยให้เขาถอนออกมาเองเหมือนคนที่นอนหลับสนิทจะประจุเพราะปลุกขึ้นมาแล้วจะวงววเงียจะลำคานจะไม่มีกาลัง ปล่อยให้เขาสงบให้เต็มที่ได้นอนคนนอยก็ให้ก็หลับให้เต็มที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะสดชื่นเบิกบานจะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปทำภ า, ารกิจต่างๆต่อันถ้าจิตสงบแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเค่อนไปเห็นเทวดาไปเห็นกายคิดไปเห็นเรื่องอดีตของเราที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตาม ในเบื้องต้นท่านบอกให้เดิงกลับมาก่อนอย่าปล่อยออกไปเพราะมันจะไม่ทำให้จิตมีพลังมีกำลังมีมีความสุขมีความสดชื่นเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเวลานอนหลับแล้วฝันไปเวลานอนหลับแล้วฝันนี่ตื่นขึ้นมาจะไม่ไม่สดชื่นจะไม่ไม่ได้พักผ่อนเหมือนกับเวลานอนหลับสนิทไม่ฝันสมาธิก็เหมือนกัน สมาสมาธินี้ต้องเป็นสมาธิที่นิ่งอยู่ในอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือเรื่องของภายนอกถึงแม้เราจะมีวาสนาในทางนี้ในตอนที่เรากำลังเริ่มพัฒนาสมาธินี้เราต้องบังคับอย่าให้ออกไปไม่ต้องกลัวว่าต่อไปเมื่อเราํำนาญแล้วเรื่องสมาธินี้ เรามีหลักแล้วมีฐานของสมาธิแล้วถ้าเราอยากจะออกไปเที่ยวบ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ในตอนต้นนี้ขอให้เราสร้างฐานของสมาธิให้มันมั่นคงก่อนให้เราทํางานสามารถเข้าได้เมื่อไหร่ก็เข้าได้ ท, ทันทีแล้วก็อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็มาทํางานทางวิปัสสนาก่อนมาพิจารณาไตรลักษณ์ในขันท่าก่อน ในรูปเวทนาสัญญาสังขารจิญญาณหรือในรูปเสียงกลิ่นลดทบทภาก่อนเพื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อนเมื่อปล่อยวางได้แล้วทีนี้จะทําอะไรก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปงานหลักของเราเสร็จแล้วทีนี้จะไปทํางานอดีเลชชอบอะไรอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกก็ไปได้อยากจะไปคุยกับเทวดาก็ไปได้ อยากจะรับรสชาต์ก็ได้ก็ทำได้ถ้ามีวาสนาถ้ามีความสามารถที่จะทำได้ก็ทำกด้แต่ถ้าไปทำตอนที่ยังไม่เสร็จงานยังไม่ทำภารกิจหลักของเราให้เสร็จเรียบร้อยไปได้ก่อนนะภารกิจนี้ก็จะไม่เสร็จและอาจจะไม่เสร็จก็ได้อาจจะตายไปก่อนอย่างพระเทวท่านนี้ท่านก็เคยท่านก็มีอคติ ญ, ญาท่านก็มีฤทธิ์ท่านได้ทางสมาธิแต่ท่านไม่เจริญ ทางวิปัสสนาจิตของท่านจึงมีจัญหามีความอยากเป็นใหญ่เป็นตอยู่จนพาให้ท่านต้องไปทาบาปทากรรมถึงกับพยายามฟ้องร้ายพระพุทธเจ้านี่เป็นเพราะว่าท่านหลงติดอยู่กับสมาธิแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิแต่หลงติดอยู่กับอิทธิฤทธิปัญญาของท่านไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิคือ ทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งเป็นเอกตารลมเป็นอุเบกขาให้นิ่งให้นานที่สุดเพราะจะทําให้จิตมีกําลังมากที่สุดแล้วพอออกมาแล้วก็จะพุ่งเข้าไปสู่การพิจารณาได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีกําลังต่อสู้กับกิเลสตัดกิเลสตัดกัญหาได้อย่างเต็มที่เลยนี่คือเรื่องของสมาธิสมาธินี้ทําหน้าที่ ให้อาหารให้กําลังกับจิตใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของปัญญาแต่สมาธิโดยลําพังจะไม่กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเองซึ่งจะมีความเข้าใจอย่างนี้ในบางแห่งบางสถานที่ที่ว่าพอมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองหลวงตาท่านบอกสมาธิก็เป็นสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญามันสมาธิจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ สมาธินี้สนับสนุนจิตให้พิจารณาได้อย่างต่อเนื่องให้เป็นให้เป็นปัญญาไม่ให้เป็นสัญญาถ้าไม่มีสมาธิแล้จะพิจารณาไม่ได้อยู่กับความจริงมันจะอยู่กับความความจําหรือความาคาดคะเนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปคาดว่าอ๋อต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามไปก็เลยบรรลุขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผล ทีว่าอ้ยเราเห็นแล้วว่าความแตกความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างงั้นเราก็หลุดพ้นจากความแตกความความกลัวแล้วจะคิดไปอย่างไงใชแต่ใจนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่โดยที่ยังไม่รู้สึกตัวเพราะยังไม่ได้ไปเข้าไปพิสูจน์ในห้องสอบอีกทีหนึ่งก่อนผู้ที่ได้พิจารณาแล้วถึงแม้จะมีสมาธิแล้วถึงแม้มั่นใจว่าไม่กลัวแล้วก็ยังไม่นอนใจก็ยังอยากจะไปเข้าห้องสอบก่อน จะต้องไปเจอของจีนก่อนท่านถึงต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวตามสถานที่ต่างๆในป่าที่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตเพื่อจะทดสอบจิตใจหรือว่าดับได้แล้วหรือยังดับที่เด็ดคือความกลัวนี้ได้แล้วหรือยังดังนั้นสมาธิก็เป็นสมาธิมีประโยชน์มากแต่จะร้อยสมาธินี่ผุดปัญญาออกมางี้เป็นไปไม่ได้ ปัญญาต้องเกิดจากการพิจารณาใจรักพิจารณาอนิจจ์อนัตตาทุกขันพิจารณาอนิจจ์อนัตตาในขันห้าในรูปคือร่างกายของเราแล้วปล่อยวางรูปพิจารณาเวทนาแล้วก็ปล่อยวางเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแล้วก็ปล่อยวางเข้าไปถึงจะดับความทุกข์ในขันได้ดับอุปทานในขันห้าได้ การปฏิบัติเบื้องต้นคือสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็นํามาใช้กับการเจริญนิพพสนาเจริญปัญญาพิจารณาตายรักอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิพอพิจารณาจนรู้สึกว่ามันเริ่มพุ่งซ้านแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาพักในเวลาที่ก่อนครั้งจนกระทั่งจิตสงบเย็นสบายเหมือนกับทํางานเหนื่อยแล้วก็กลับมาบ้านอาบน้ำหลับท่ารับประทานอาหาร แล้วก็หลับนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นมีกำลังวังชาก็ <c oughs> าอาบน้ำลับท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปทำงานต่อ <c oughs> ถ้าทำงานตลอด24ชั่วโมงนี้ก็คงจะไม่ได้ผลงานพ <c oughs> อมันหมดเวลาแล้วมันก็ไม่อยากจะทำ <c oughs> ทำก็ทำแบบผิด ๆ, ๆ <c oughs> อาจจะเกิดคาเสียหายมากกว่าจะเกิดผลดีเสียอีกแทนการปฏิบัติทางสมาธิและทาง ปัญญานี้จะต้องมีความทํคาความพอดีมีประมาณทําสมาธิมากไปก็ไม่ก้าวหน้าทำสมาธิอย่างเดียวก็จะได้แต่ความสงบแต่กิเลสยังไม่หายตายจากใจกิเลสตายด้วยสงบตัวลงขณะที่จิตสงบพอออกจากสมาธิมันก็ออกมาเพ่นท่านเหมือนเดิมถ้าทําแต่เรื่งแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็จะฟุ้งซ่านได้ดันั้นต้องสลับกัน มีผลตอบรัเสียงก็แลอา จ, จะพุ้นแล้วก็จะยินไงเท่าไหร่ ก็ไม่สงสัยเรื่องมั่าใช่ไหมว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างนอกจากทางจิตที่เรารู้กันอยู่แล้ว ต, ตัวภาวนาเนี่ยก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาสาตัวนี้แล้วก็จะมีวิมุตต์ตามมาต่อไปมีความดุดพ้น็มีนิโรธความดับทุกข์ตามมาถ้าดับทุกข์ได้เต็มที่เาวนก็เป็ น, นท่านิพพาน ถ้ายังไม่ยังไม่เต็มที่ก็เป็นขั้นอริยะต่งางๆขั้นสโสดาบันบ้างขั้นสติดาคานีบ้างขั้นอนาคาณีบ้างแต่พอดับทุกข์ได้เต็มที่ก็เป็นขั้นพระอารหันต์เป็นพรนิานไปพอถึงขั้นนะั้นแล้วก็ไม่มีงานต้องทำต่อไปไม่ต้องภาวนาก็ได้ไม่ต้องทมบุญก็ได้ไม่ต้องมาทอดกรุินก็ได้ไม่ต้องไปทอดตาฝ่ า, าก็ได้ ไม่ต้องสมาทานศีลศีลมันมีโดยในตัวของมันน่ะมันเป็นธรรมชาติของมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ทําอะไรที่เสียหายแก่ใครเพราะไม่มีความอยากกระตุ้นให้ไปทํานั่นเองอเวลาที่ยังทําบาปไปอยู่เพราะความอยากพออยากจะได้อะไรมากๆแล้วพอทาด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ได้ก็ต้องเอาวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะยังอยากได้อยู่ แล้วเวลาไม่ได้มันพุกข์ทรมานใจ <c oughs> แล้วงานกระถินมีหมดเลยยังสำหรับพวกเราเน่ยังมีมีกระถิ่นึงไหมฮ ะ, <c oughs> ะหมดแล้วไหมโ <c oughs> อ้จิตตายแล้ว ก็ดีก็ทําไปถ้าเรายังอยู่ขั้ น, นนี้อยู่เราก็ต้องทําไปถ้าเราอยากจะขยับขัน้นก็ต้องพยายามทําขั้นต่อไปถ้าไม่ทํามันก็ขึ้นไปไม่ได้จะเรอให้มันขึ้นไปเองมันไม่ขึ้นไปมันไม่เหมือนเรียนหนังสือพอเรียนจบปีหนึ่งแล้วเขาก็ดันเราขึ้นปีสองไปแต่นี่มันดันไม่ได้มันต้องขึ้นไปเองต้องปีนขึ้นไปเองเราทำทานแล้วทีนี้ก็ต้องปีนขึ้นไปขั้นศี้นละ ต้องรักษาศิลห้าศีลแดให้ได้ครบบริบูรณ์นะไม่ใช่จะไม่ใช่จะเพาะรักษาตอนที่มามาถวายทานนังขอศีลกันพอออกจากสาราไปก็ฝากไว้ที่สารานี้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอากลับไปด้วยต้องเอาไปด้วยต้องเป็นต้องเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่ศีล น, นี่แหละคือเสื้อผ้าคลของใจ <c oughs> ถ้าเราไม่มีศีลก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ใจที่ไม่มีศีลก็เป็นใจที่ไม่สวยงา ม, มก็ต้องต้องต้องก้าวขึ้นไปเองต้องปีนขึ้นไปเองทำทานอยู่มานานแล้วทีนี้ก็ต้องปีนขึ้นไปหาศีลได้แล้วให้เป็นนิจศีลคือเป็นเป็นปกติ<ม>เป็นศีลประจำตัว<ม>เป็นเหมือนที่เราใส่เสื้อผ้าของเราทุกวันเนี่ยเราไม่ได้เคยออกจากบ้านโดยไม่มีเสื้อผ้าใช่ แล้วออกจากบ้านแล้วก็ไม่ควรจะไม่มีไม่มีศีลติดตัวเราไปด้วยถ้ามีศีลแล้วต่อไปก็จะปีมซึ่งไปสู่ขั้นสมาธิได้ง่ายศีลใกล้ขั้นเหมือนเราพยายามผักเราให้ขึ้นไปแต่ขึ้นไปถึงขั้นึแล้วเราก็ต้องปีมต่อไปปิีนขึ้ น, นไปถ้าไม่มีศีลมันช่องว่าช่องระหว่างทานกับกับภาวนานี่มันมันกว้างเกินเกินไปปีมปีนไปปีนไปไม่ถึงอะ ต้องมีศีลเป็นเป็นขั้นเชื่อมีกทิ้งไปทำทานแล้นก็รักษาศีลเพราะการทำทานนี้ก็เป็นการปลูกฝังให้มีมีใจรักที่จะมีมีศีลคือไม่ชอบเบียเดเบียนผู้อื่นการให้ทานนี้เป็นการสอนให้เรามีความเมตตาสอนให้เรามีความปรินาความสงสารผู้อื่น เมื่อเราได้มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาเราก็จะไม่อยากไปสร้างความเดือดร้อนไปเดือดร้ยนผู้อื่นก็จะทำให้เรารักษาะศีลขึ้นมาได้ง่ายแล้วถ้าเรามีศีลแล้วจิตใจก็จะไม่ค่อยว้าวุ่นขุนัวกับการกระทําผิดต่างๆการกระทําบาปต่างๆถ้าเราทําบาปแล้วใจเราจะไม่สบายเช่นเราโกหกแม่เราอย่างเงี้ยหรือโกหกสามีหรือโกหกภรรยาเรา เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจมันก็จะทำให้ทาให้จิตสงบได้ยากแต่ถ้าเราไม่โกโหกใครเลยเราพูดตามความจริงตลอดเวลาใจของเราจะนิ่งจะไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวว่าใครจะมาจับผิดเราได้ว่าเราทาเราพูดปดแล้วเวลาจะทำสมาธิมันก็ง่ายท่านถึงบอกว่ามันมั น, ม น, เ, ปนเป็นบันไดที่สนับสนุนกัน ฌานก็สนับสนุนสีนสีนก็สนับสนุนสมาธิสมาธิก็สนับสนุนปัญญาปัญญาก็สนับสนุนเวทมุติ์ปิศาลมุขคนมันเป็นขั้นจะข้ามขั้นตอนไปไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังว่าคนฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมกันเลยก็ขอบรรลุแบบนี้อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยขอให้นั่งฟังธรรมอย่างเดียว มันบรรู้ไม่ได้หรอเพราะเราไม่มีทางไม่มีศีลไม่มีสมาธิมาก่อนนี้มันไม่มีทางที่จะบรรลุได้คนที่เขาบรรลุกันนี่เขามีหมดแล้วเช่นพระปัญจัลทีนี่ทางท่านก็ให้หมดแล้วท่านออกบวชนะสมาธิท่านก็ได้ขั้นชาญกันอยู่แล้ว<ม>ท่านขาดเพียงปัญญาเท่านั้นเองพอได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าครับมันก็หมดได้ เ, เป็นอย่างนั้น เราอย่าไปมองคนึ่งว่าโอ้ยไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เขานั่งฟังทำรักเขาก็บรรลุได้เลยเราก็ทำแบบเขาถ้าเราทำแบบเขาแล้วยังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเรายังไม่มีศีลเรายังไม่มีทานหรือยังไม่มีไม่ครบทั้งทั้งสาส่วนนี้เราก็ต้องตรวจตาดูตัวเราเองอว่าใจเราเป็นยังไง ยังยังขวงยังแหนยังคิดเบียดเบียนผู้อื่นอยู่หรือเปล่าหรือเราใจกว้างเรายินดีที่จะให้ที่จะช่วยเบียดผู้อื่นไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นใจเราสงบนน่งหรือเปล่าหรือใจของเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเวลาฟังเทศฟังคำบางทียังไม่ได้ฟังเลยทําได้คำสองคาก็ไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วอย่างนั้นมันจะบรรลุได้อย่างไร ก็ฟังแบบทับปีในหม้ อ, อกแกงไม่รู้รสชาติของแกงเลยต้องฟังแบบลิ้นกับแกงแม้แต่แกงยดรสของแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นอยางไงถ้าจะฟังแบบลิ้นก็ต้องฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธินั่นแหละมันถึงจะบรรลุได้ ยว่าตอนเทศน์นียังไม่ง่าคือก็าความสงสัยให้หมดไนแล้ม่มามงยไม่มีปัญหาเลยคนสอนก็สบายความ ส, สางสัยไม่มีปัญหาลเลยนี้คนสอนก็สบายเวลาลงจ้าเทศน์พาะไม่เคยมีใครถามปัญหาสักคนนะฟังมาัง ตั้งเกือบเก้าปีนี้ไม่เคยมีใครถามปัญหาเลยลเวลาหลวงตาถามว่ากันมีปัญหาบ้างกันไหมเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าท่านท่านแสดงอย่างสี่ช่วนนะ <c oughs> ปัญหาอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ผ, ผู้ฟัง <c oughs> นั้นเราก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวเรานะ อย่าไปแก้ปัญหาที่อื่นแก้ปัญหาที่อื่นแก้เท่าไหร่มันก็ไม่จบไม่หมดแต่แก้ปัญหาที่เราแล้วพอหมดแล้วมันหมดเลยเพราะตัวปัญหาก็คือตัวเรานี่แหละไม่ใช่ใครหรอกถ้าเราไม่มีปัญหาแล้วต่อไปเราก็จะมองอะไรแบบไม่มีปัญหาเสมแต่คนเอกชาติชายวันเป็นนายกบอกว่าโนพร้อมร่มไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา หาอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไปไปแก้ไม่ได้หมดแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดมันเป็นของมันเป็นตรรกะของโลกที่มันจะเป็นอย่างนี้ความจริงมันดีอยู่แล้วมันไม่เป็นปัญหาแต่ตัญหาของเราไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันเลยเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างตอนนี้ก็อยากจะให้ผลมันหยุดใช่ไหม ถ้าอยากให้มันหยุดขึ้นมาก็เป็นปัญหาแล้วเมืม่อไหร่จะหยุดสักทีเมืม่อไหร่จะหยุดสักทีแต่ถ้าเราปล่อยให้มันตกไปมันจะตกเท่าไหร่ก็ตกไปมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราถ้าไม่ถ้าไม่ไม่หยุดถ้าอยากจะไปก็ไปได้เสียก็เสียสูนี่ก็เท่านั้นเองใช่ไหมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เรามันชอบไปสร้างเงื่อนไขมากป <Xue. S 2> ัญหาก็คือตัวเงื่อนไขต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เพ้พอเรามาดับไอ้ตัวตัวที่ตัวสร้างเงื่อนไขนี่แล้ก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปไปย้ปยอนกลับมาที่พูดเริ่มต้นมาให้กลับมาดูที่ใจเราใจเราเป็นตัวเป็นตัวสร้างปัญหาสิ่งที่เราเห็นที่เราสัมผัส น, นี่เขาไม่เป็นปัญหาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอย่างที่เขาถาว่ามันเป็นยังไ ง, องตอนนี้เตอบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แล้วไหะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันก็หมดปัญหาไปอถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนี้ก็ต้องแก้ไขกันเลยเวลาไม่สบายก็ต้องหาหมอหาอะไรวุ่นกันไปหมดว่ะสิแต่ถ้าบอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหะมันไม่สบายมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแหละมันก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ถ้าป่อยมันเป็นไปมันหายมันก็หายมันไม่หายมันก็ไม่หาย มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเองเราเพียงแต่ไปไปขัดจังหวะมันบ้างเทัานั้นเอง แ, แล้วป่วยก็ไปหาหมอมารักษามันก็หายถ้าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มีใครไม่ป่วยอีกนะมีการรักษาโรคแล้วหายไปแล้วหายไปเลยนะี้ไม่มีหรอกหายวันนี้เดี๋ยวอีกสองวั น, นก็กลับมาใหม่มันก็จะกลับมาเรื่อยๆมันจะหายไปเหมือนกับเมื่อมันตายใช่ไหม พอตายแล้วที่นี้ก็หายอย่างสาวอวันไม่ต้องกลัวโรคภัยไค่จุดมันต้องหายแน่ๆไม่ต้องไปรักษามันหายแน่ๆให้มีความสุขอยู่กับความเป็นโรคภัยไข่เจ็บดีกว่ามีความสุขกว่าตอนน้นสุด ข, ของความเจ็บไข้ได้เฉยนั่นเราจะสบาย โลกไม่เข้าใจไม่เข้าใจภาพปจิบัติทำไมปล่อยปากล้าเลยอย่างนี้ถ้าไม่ปล่อยปากล้าเลยท่านรักษาใจท่านอยู่เต็มที่เพราะเราต่างหากปล่อยปากล้าเลยใจของเราจนข้างใจของเรานี่ทุกพรมานอยู่ตลอดเวลานอนไม่รู้สึกตัวแล้วยังกลับไปสอนท่านอีกว่าท่านทําไมปล่อยปากล้าเลย <S <S สอนไปร่างกา ย, ยใช่ไปทำรายการวิ่งที่เราทําไม่ได้ทําไมเอี สิ่งที่เราทำได้กับไม่ทำกันนะใจนี่รักษาได้กับไม่รักษากันไม่รักษากายกันทำไงรักษายัางไงมันก็ไม่หายแต่ใจนี่รักษาหายแล้วหายเลยนะไม่กลับมาเป็นอีกเลยพอหายทุกหมดทุกแล้วไม่กลับมาเป็นอีกเลย ใ, ให้รักษาใจแล้อย่าไปสอนกูบาอาจารย์ให้ไปหาหมอนะ ไวยท่านท่านรักษาของท่านไปถ้าท่านต้องการอะไรแล้วท่านบอกเราเองไปหาหมอทีนี้ใจมันก็ลำบากลำบนไปด้วยก็ต้องไปรับคำสั่งจากหมอหมอให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้บางทีก็ไปขาดกับหลักทำหลักวินัยก็มีหมอไม่รู้เรื่องหมอก็อยากจะรักษาอย่างเดียว ก็แนะนำว่าท่านต้องขานอาหารตอนเย็นนะอะไรอย่างนี้ขึ like ้นมาอร่อยก็นแบบนี like it, ้ยิงชอบรักษาแบบธรรมชาติปล่อยให้ร่างกายมัน like รักษาเองเราให้เวลามันหรือเวลามันไม่สบายก็พักมันเต็นที่ก็แล้วกันแล้วให้มันมีโอกาส มีกําลังฟื้นขึ้นมาตัวแบของมันเองร่างกายมนภูมิคุ้มกันมียารักษาโรคอยู่ในตัวของมันเองเียแต่เราอย่าไปยุ่งกับมันเท่นั้นแหละเราไปยุ่งกับมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปมาเป็นเป็นร้อยร้ยกิโลเนี่ยร่างกายมันจะมีกําลังต่อสู้กับโรคภัยแค่เจ็บเท่านั้นให้ร่างกายมันนอนพักอยู่ที่ที่วัดเลยที่กุฏิที่บ้านเลยเดี๋ยวพอมันมีกําลังมันก็จะมีภูมิ ที่จะขึ้นมาต่อสู้กับโรคภยัยที่ถอกันไปบางทีบินไปถึงเมืองนอกไปรักษากัน่ร่างกายแสนเหนื่อยเหนื่อยแสนเหนื่อยมันจะมีกำลังอะไรที่จะมาต่อสู้กับโรคภยัยไข้เจ็บแต่รักษาแบบวิธีไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราเอาอยู่ประยาเข้าไปแลยานี่มันก็มีผลดีและผลเสียพวกคู่ไปด้วยมันเวลามันเลยค่า ชื้อโรคมันก็ไปฆ่าส่วนหนึ่งของร่างกายเราด้วยส่วนที่ดีมันก็ไปทำลายด้วยดูคูบาอาจารย์ที่ท่านรักษาตามธรรมชาติเนี่ยท่านอายุยืนยาวกับพวกที่ใช้รักษาด้วยหมอรักษาด้วยยากัน ถ้าจิตสงบหน้ามันไม่เป็นปัญหาอะไรหล่ะความเจ็บป่วยของร่างกายหรือความเป็นความตายของร่างกายนี้มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่มากระทบกระเทือนกับใจของเราใจของเราเป็นเหมือนเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนี่แหละอยู่ตรงนี้ใจเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตของเรา แต่เรากลับให้ความสําคัญกับใจนี้น้อยมากให้ความสําคัญกับสิ่งที่ไม่เป็นมีความสําคัญกับชีวิตของเรามากให้ความสำคัญกับสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรามากรูปร่างกายนี่มันเป็นกองทุกข์แท้ๆก็ยังพยายามเหี่ยวลังมันไว้ให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แทนที่จะปล่อยให้มันไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะไป ถ้าไม่มีธรรมะเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวอะไรเราจะกัดทุกวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายนี้ไปจนวันตายเหมือนคนที่ไม่มีธรรมะเขาวุ่นวายกันอยู่ทุกวันเขาต้องวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายนี้ท่านอาจารย์คือว่าที่เมื่วันนี้ที่ท่านอาจารย์ใหญ่สอนเนี่ยทีมันบอว่าถ้าเกิดล่าเราคุ้มฆ่ายอยู่ คือเราไม่สั่งแม่ที่จะทำสมาธิได้นั่นหมายถึงว่าให้เราพิจรารณากายอยู่กับอยู่กับปัจจุบันายว่าหมายถึงเวลาเรนั่งเวลานั่งถ้าม่มมายังทนอไม่ได้กสั่งสองเทเง่าสองเทง่าหรือสวดนต์ อ, องก็ได้หรือถ้าจะพิจารณาก็ได้ถ้าพิจารณาได้พิจารณาแล้วไม่คลุ้งใก็พิจารณาไปก็ได้ าไปรักไปก็ได้ในการพิจารณาของาจให้สงบ ก, ก็ไาฟังธรรมเหมือนกับการพิจารณาเวลาเไม่ได้พิจารณาเรฟังามพิจารณาของพูษษษษษษษษง้แสดงธรรมเพราะเราพิจารณาไม่เกก็ได้ทั้งสองอย่างถ้เราพิจารณาเงได้และสงได้ก็ได้เป้าหมายก็คือให้มันสงบให้ได้ด้ืยวิธีวิธีนึลาฟังธํานี้มีตัว เราเราจับที่ไหนเจะทางไหนถึ ง, งว่าตัวฟังที่เสียงสิไปฟั ง, เ, ฟ ง, ฟงเสียงใหนเหมือนกันนะฟังเสียงแต่เราไม่ต้องพุ่งพุ่งใจเราไปหาผู้แสดงไม่ต้องไปดูหน้าท่านให้ให้เหมือนกับเป็นคนลักษาประตูในฟุตบอลนี่ให้ยืนเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูให้รับคอยรับลูกที่เขาจะเตะเข้ามาที่ประตูเราก็คอยรับ เสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วรับรู้ด้วยใจให้รู้อยู่ตรงเสียงนั้นถ้าถ้าฟังแล้วพิจารณาตามอย่างที่กําลังฟังอยู่นี้ก็จะเกิดความเข้าใจก็เรียกว่าเป็นปัญญาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ยังฟังต่อไม่ให้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจยังเกาะติดอยู่กับเสียงเสียงนี้ก็จะทําให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ฟังได้สองลักษณะ ถ้าฟังเพื่อความเข้าใจก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความสงบมันจะไม่สงบแต่มันจะสงบแบบแบบปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็จะสงบในขณะที่ฟังนี้มันจะคิดตามพิจารณาตามพอเข้าใจแล้วมันก็โล่ง อ, อกโล่งใจเบาอกเบาใจหายสงสัยหายทุกข์หายกังวลได้อย่างนี้ก็ก็เรียกว่าฟังดืวยปัญญาฟังเพื่อปัญญา ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามไม่ทันไม่เข้าใจเพก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งกว่าที่เราจะเข้าใจก็ฟังฟังที่เสียงอย่างเดียวให้รู้อยู่ที่เสียงที่มาสัมผัสเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่ยกับเสียงที่เราฟังอยู่แล้วมันก็จะทําให้จิตของเราสงบได้หรือไม่สงบเต็มที่อย่างน้อยมันก็หายคุ้งซ่านหายคุ้งซ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะนั่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธแล้วก็ติด เงเทศแล้วก็ลองทำบริกรรมต่อไปหรือดูลมต่อไปก็จะถ้ามันทําได้มันก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพาให้เ ข, ข้าสู่ความสงบที่ลึกเข้าไปกว่าจากการฟังเทศฟังธรรมความสงบมันก็เป็นขั้นๆขั้นนี้แล้วขั้นขันนี้ ข, นนขันนี้ลงไปเรื่อยๆทาแต่ละชนนี้ก็จะพาให้ไปสู่ได้ตามขั้นของเขา การฟังเทศฟังธรรมหรือการสวดมันก็จะพาไปสู่ขั้นหนึ่งการบริกรมรมด้วยการดูลมายใจยมันก็จะพาเข้าไปถึง ข, ข, ข, ขั้นเต็มขั้นขั้นเต็มที่ของมันได้บางคนไม่เข้าใจเวลาฟังธรรมก็ยังพุโทโธพุโทโธไปอันนี้ไม่จําเป็นแล้วพุโทโธนี่มีไว้สําหรับเวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวมันจะยิ่งสับสนไงไหนพุโทโธไหนเสียงธรรมเข้ามา เตะกันใหญ่เลย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้จถาขุแเี่มันจะมีิดมซ้อเสียงตื่นหรือว่าภาพตืนที่มาอย่างเงี้ยิกรอย่าไปส น, าานใจมันให้อยู่กับพุทโธ <c oughs> ให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างเดียวอะไรจะแทรกเข้ามาก็เหมือนเราฟังวิทยุแล้วมันมีอะไรแทรกแล้วพยายามตัดให้ให้อยู่กับเสียงเสียงวิทยุสถานีที่เราต้องการจะฟัง ส่วนเสียงแทรกเข้ามามันจะเข้ามาไงก็เราก็ไม่ไปสนใจพยายามปรับให้มันได้ได้ยินเสียงที่เราต้องการได้ยินมากที่สุดเวลาเราพอนาะเราจะให้เราอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่มีจะมีอะไรแทรกขึ้นมาก็อย่าไปสนใจบางทีมีเสียงคนมาเคาะประตูโทรศัพท์ดังหรือคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เรากําลังใช้เป็นเครื่องถูกใจอ ย, อย่างนี้ย ให้เกาะติดอยู่กับมันไปแล้วไม่นานแล้วถึงแม้จะมีเสียงมีอะไรมีความรสเสร็จมันจะหายออกไปใจจะไม่ให้ความสําคัญกับมันใจปล่อยวางมันได้พอปล่อยวางมันได้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่มากระทบกับการภาวนาของเราแล้วบริการพุดโทนจริงๆแล้วคือพูโทพูดโธพูดโทเราต้องออกเสียงหรือว่าไม่ไม่ไม่ออกเสียงอยู่ในใจและลึก เป็นความคิดเป็นความคิดเป็นความคิดคิดพุทโธพุทโธไปถ้าเรายัางคิดไม่ได้ก็ลองออกเสียงเบาๆไปก่อนก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็พุทโธไปภายในใจบางคนก็อาจจะใช้สองอย่างรวมกันก็ได้บางคนก็ถูกเฉลิบบางคนก็ไม่ถูกเฉลิบคือจะใช้ลมกับพุทโธไปด้วยกันคือเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธ ถ้าถูกจริตก็ทําได้ถ้าไม่ถูกจริญก็ทําไม่ได้จะสับสนจะวุ่นวายบางคนก็ไม่เอาทั้งสองอย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนชอบบริกรรมก็บริกรรมอย่างเดียวบางคนชอบดูลมก็ดูลมอย่างเดียวงั้นต้องเข้าใจแยกแยะให้ถูกว่ามันมันเหมาะอย่างไหนมันเหมาะกับเรามันได้ผลกับเราเราชอบมันไหนเราก็ทํานั้นไปไม่จําเป็นจะต้องทําตาม คนอื่นที่เขาทำเหมือนเขาชอบกินกินข้าวผัดแต่เราชอบกินเปดเด๋ยวผัดนะก็ไม่ต้องกินเหมือนกันแต่ผลที่ได้รับ ก, ก็เหมือนกันก็คือความอิ่มการทําจิตให้สงบก็เหมือนกันจะทําด้วยวิธีใดผลก็คือความสงบเหมือนกันนะเข้าใจแล้วนะ เพื่อให้เป็นงานด้วยมืมากุเจอยู่ด้วยเลยที่พี่ก็ก็พยายามซับว่าถ้าจะไม่ให้ส่งติดออกไปข้างนอกเนี่ยแทนที่ฟังทําหรือว่าบางครั้งเวลาพะสวนาหรือทำวิธีการสำคัญเนี่ยลูกจะเจ็ดเจใจใจจิตจ่ออยู่กต่ตรงนั้นแต่พอมีเรืรองมทบบข้าอย่างคนข้างๆเนี่ยส่งเสียงดังขึ้นมาหรือว่าบาิศางอะไรที่มันแบนขนที่เราเงียบเนี่ยเราก็หนได้ ทิ่งปกติแต่ทุกครั้งเลยค่ะ ก็ไม่รู้อยู่นะคะแต่ทำไมต้องเจอตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้ทไม่ได้มรู้อย่เาะส่วน่ในชีวิตประจาวันของเราเรื่อนี้ส่เวลาเราชอบไปหาเรื่องเองไม่อะค่ะบางทหนีด้วยซ้เสร็จมันต้องเจอก็ไม่รู้มันเป็นปกติมันเจอเรื่กันทุกคนแต่บางทีเขาเจอแล้วเ็าปล่อยวางแล้วก็รู้สึกไม่เป็นปัญหาอะไรเขาก็จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราเจอก็มันเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะ เราไม่อยากคุยงานที่คนเทนต์ทุกคนก็เจอเหมื อ, อนกันไม่ตกันนะแต่ถ้าว่ามันเป็นประเด็นสนหนัเราแต่นี้ไม่เป็นประเด็นสาหับเเรา อ, รอย่าไปให้มันเป็นประเด็นช่างมันเกี่ยวกับช่างมันช่างมันช่างมัน ไ, มได้ล้วไม่ยอมทอําง เราส่งติตไปเราส่งติดไปหาเขาตงไหนพอรู้ไปก็เดินกลัมาเลยก็ไม่ได้ส่งอะไรตั้งใจมากเลยก็มาจิตที่ไหนแสดงแสดงมาจิตสมาทธิเรายังไม่หลัใช่ไหมคนกัเหมือนปุยุยนุ่นอยู่เหตอนนีลมพัดแถวเบาขึ้นก็ปิวต่างเลนคถ้าเป็นเห็นนี่โอ้โหพายุมันยังไม่สามารถที่ขยับมันได้สิตที่ The wind. The wind สิ่ที่มีสมาธิจนที่มันจะอรมณ์อะไรต่างจะมาขยายม่ได้สุดไปจะมันจะติดไปเรื่อยแสดงว่าเรายังผะยังสอบไม่ผ่านอย่าไปโทษข้อสอบโทษนสอบคนที่ข้อสอบจะโทษจะโทษข้อสอบว่ายากได้ยังไง นะอย่าไปโทษเข า, เข า, เขาต้องขอบใจเขาว่าโอ้ต้อสั่งต้องตอบใจเราะขาชนะทีเลยเขาไม่ชนะเขาไปแให้เรารู้ว่าเรายังไม่ผวาเขาเขาไม่ได้มีอะไรสนองับเราหรอกเขาก็ทำไปตามพระจารยทขงเขา ถ้ามันเสียงเสียงฝนตกป๊อกก้าปกก้าี้ทำไมเราไม่เลยนีมีอะไรขเขาอ่ะเราไม่ศึกษาเขาแต่ถ้าเป็นคนด้วยแบบนี้นไม่ได้ใช่ไหต่เข <c oughs> าได้ <c oughs> ไาจะรู้ได้ก็เขาทำนี่มันน่าจะรู้เนี่ยมันทาให้แบบทำให้เห เ, เกิดสิ่ <c oughs> งเหล่านี้เราต้องเื็ว่าเขาเป็นเหมือนเสียงหลังใช่ไหมเขาเป็นนักการ เราไปควบคุมบางข้าเขาไม่ได้พอเราเห็นว่ามันเป็นน้ำตองเราปล่อยวางได้เลยอย่างรถไหลมาชนรถเราเนี่เราจะไม่โมโหแต่ถ้าคนขับชนมาเนี่ยเราจะโมโหมันก็ชนเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ควรจะมาขับชนเราเราจะคิดอย่างนี้กันทีอย่าไปคิดว่าทำไงคิดว่า คิดว uh, ่าอันเรากำลังเกิดขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติสึ่งมันอย่างไรทําอย่างไรให้ใจของเราไม่เฉยเป็นอุปสรรคถ้ายิ่งไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเป่างมันก็จะทํำใจไม่ได้แต่ถ้าคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอนิจจังเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราก็กลับมาอยู่ที่ความสงบของเราการทำนี้ ใจเราไม่หนกแน่นพอล้วก็หาที่เวลาจะให้พอก็ไปนั่งบนที่ไม่มีคนเวลาจะรับคอก็ไปนั่งไกลๆที่ไหนใครนั่งที่ข้าของนี้ไม่ได้ต้องสอเลยแล้วมือไปซื้อที่ไอีเนียไอีเียวิทีะไอเข้าไปด้วยเปิดเมื่อไหรจะได้ยินมันนั่นเลยจ้ะเมื่ไหรเลยนะเวลาเวลาที่ต้องการกลางสยามก็ติดมันไปมันไม่ใช่วถีวิถีทางร้างใช้เศษชสัญญ แต่เบื้องต้นก็อาจจะใช้พวกนี้ช่วยได้เป็นอยนางเช่นั่งขึ้นมาที่ในที่มันหนักขูนี้แล้วก็หาเราว่าอุดรูเสียไปก็ช่วยได้ทั้งหมดถ้กลับมาที่ใจเราเนี่ยแหละแล้วเราไปยุ่งกับเขาเอง เ, เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เองเรารับเขาไม่ได้เรารับความจีไม่ได้ ก็เรีนนำได้ไม่ยากที่แลภาวนาพุทโธเนี่ยจะขากี่มาถึงว่าเราจะอยู่อิริยาบทไหนก็ได้ใช่ไหจะขคือถ้าเราอยากจะนั่งสบายๆเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ครับครั้นี้จับเรียนหายว่าถ้าเราบริกรรมอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะง่วงเหมือนก็เหมือนกับซึมๆจิตมันจะซึมๆเราก็ควรจะปรับควรคนจะเป็นิริยาาก็ควรจะเริ่มมาเดินทาง เดินมาข้างหน้ายางง่วงอยู่พเดินถอยหลังไม่ได้ระหวังมากจิงนะในสมัยผู้จัดการที่หลวงชาท่านเทศในาลทะไม่งก็บอกว่าเา่วงก็พาท่านก็จะเดินเดินถอยหลังถ้าเดินลงไปในน้ำในไ่ทั้งว่าถ้ายัง่ง่วงก็เอายาไปจุ่มน้าแล้วก็มาหัวไวายบนศีอะมาเขไว้บนศีระ มันก็เป็นเวิธีหนึ่งตมีหลายวิธีการออกอาหาก็ช่วยแก้ทางื่อยเหงาหงนองได้หรือการไปนั่งอยู่ที่หน้าปากเขวก็กแก้ได้เหมือนกันหร้อั่งตามที่มีเสือผ่านมีงูเยอะผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ก็จะหรือไปนั่งปาก้างวิธีแก้ท้องเมื่อยเหลายวิธีเหมือนกันอยู่ที่ทางสายาของเราจะใช้วิธีนี้วิธีไหนได้ ถ้ามีทางกาหายก็จะใช้วิธีที่ได้ผลเร็วถ้าไม่ใช่หายก็จะได้ได้ได้วิธีที่ใช้ได้ผลชา้าหรือจะไม่ได้ผลเลยจะจะปฏิบัติแบบสบายสมาไม่ต้องไม่ต้องลําบากไม่ต้องทุง่ไม่มีทาง เหมือนจะมีความสมัยที่้องคิดกันอย่างนี้ว่าปฏิบัติอย่างสบายสบาไม่ต้องมาทรมานตัวองให้เสียเวลาก็ปฏิบัติได้ันนี้ได้ันรูุแบบพิเศษตัวรอดอยู่ในใจมันรู้เรื่องสัญญาเพราะเราเห็นท่านนั้นแล้วเราถึงนท่านนี้แล้วแต่ยังไม่เคยไปเข้าห้องสอบเลยเหมือนน้ำพวยก็โชคกับประสริย์ไดแล้วก็บอกการนี้เาเป็นแชมป์นล้วเหรียนทางท่านนี้แะ้ท่านนั้นแล้วยังไม่เคยขึ้นเวทีสักที ถ้าปาฏิบัติบบสบายๆมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบใอยยามันไม่ได้เป็นแบบความจริงเห้รับปากปากพาเท่านั้นเองทเจาขาค่ะหมายถึงว่าเราควรจะได้ด้วย นึกถึงอะไรบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะว่าอะไรสต้ตานอนเอาพูดโทคําเดียวก่อนเอาอย่างเดียวก่อนเลยพูดโททัางว้ <c oughs> เลยตั้งแตกไม่มาจะหลับเลยเะย ต, ยต้องมีศัพท์จะต้องม่มีข้อแก้ตัวอเอาพุดโทอย่างเดียวนะนะถ้าถูกจะรือจะเราก็พูดโทอย่างเดียวกันไป แล้วก็การภานี้ทิศไหนก็ได้ท่ไหมเจาค้าคยึงไหนก็จับตรงนั้นถ้าไม่มีภาคนีแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์หรือคนที่เราพาเาอยู่ทีไหนแล้วก็รับตรงนั้นถ้าสาวรีบุตรก็จะจับไปทางที่เราทิศที่เพระเจ้าประทับอยู่ทรงไหนพยายาจะจับพระอเจ้าถ้าเราอยากจะจับพระองเจ้าถ้าเราอยากจะจับไปที่ประเทศอินเดียก็ดูว่าประเทศอินเดียตรงแล้วก็หันทางเพื่อนั้นถ้าอยากจะจับหลวงตาก็หันไปทางอีดอน